อะระหะโตสมมาสมพุทธาสุขโขพุทธานามุปาโทตีขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเนื่องในการ เฉลิมฉลองพุทธเจียนตี 2,600 ปีทุกท่านวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษก็คือเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะโดยเฉพาะธรรมะที่ญาติโยมสงสัยแล้วก็สนใจต้องการที่จะถามนะเนื่องจากว่าการบรรยายเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง แต่การสื่อสารสองทางก็คือการถามการตอบซึ่งวิธีการถามการตอบนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใช้กับทระปัญจวคีทั้งห้าในพระสูตรที่ชื่อว่าอะนัตตลกนะสูตรการถามการตอบเรื่องรูปนามขันห้าก็ดีการถามการตอบในแนวทางการปฏิบัติเบื้องสูงก็ดีซึ่งการเทศนาการแสดงธรรมแบบการถามการตอบนั้น ทำให้พระปัญจะวัคคีย์ทั้งห้ารูปได้เกิดปัญญาสามขั้นแล้วก็บรุกเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นวันนี้นะเรียกว่าการแสดงธรรมจะเปลี่ยนจากการแสดงองค์เดียวเป็นปุตชาวิสัชนาญาตโยมเป็นฝ่ายปุตชาอัตมาก็จะเป็นฝ่ายวิสัชนาตอบตามที่ญาตโยมประสงค์จะรู้ถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะเก็บไปไว้ก่อนแต่วันนี้ ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนนะก่อนที่ญาติโยมจะคิดถึงคําตอบธรรมาก็เปิดประเด็นไว้ก่อนนะเปิดประเด็นหนึ่งนะวันนี้อยากจะนําเสนอประเด็นชาวพุทธได้อะไรบ้างจากการนับถือพระพุทธศาสนาประเด็นแรกประเด็นที่สองธงที่ญาติโยมเห็นอยู่นี้เป็นธงอะไรกันแน่นะจริงอยู่อาจารย์บรรจางจะบอกว่าธงฉัรณรังสี จะมีคาอธิบายก็จริงแต่หลายๆท่านเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะมีทั้งธงธรรมจักรมีทั้งธงบางก็เรียกว่าธงลังกาบางก็เรียกว่าธงเนปาลบางก็เรียกว่าธงพุทธสากลนะมันเป็นธงอะไรกันแน่ที่เห็นข้างๆนี้จะเปิดประเด็นไว้สองประเด็นนะส่วนประเด็นอื่นๆที่ญาติโยมสนใจก็เตรียมคำถามเอาไว้ซึ่งอรรมาก็จะได้กล่าวถึง การนับถือพระศาสนาก่อนเปิดประเด็นในการที่จะ อ, อภิบายหรือบรรยายในวันนี้อยญาตโยมเป็นผู้ปุตชานะ mm. ก็ประเด็นแรกเลยที่อาตมาจะได้ให้ญาติโยมสาตวชนได้เก็บไปเป็นข้อคิดโดยเฉพาะเรานับถือพระพุทธศาสนากันมา 2,000 พุทธศาสนาเนี่ยอุบัติขึ้นมา 2,600 ปีพระพุทธศาสนาเข้ามาเมืองไทยเมื่อพศ326 นในยุคที่พระเจ้าอาโศกมหาราชส่งพระโสนะพระอุตระซึ่งเป็นสมณทูตสองรูปและมีคณะผู้ติดตามอีกสิบห้ารูปมาเผยแพร่ย่างสุวรรณภูมิและก็มาขึ้นฝั่งที่มอตมะและหลังจากนั้นพระโสนะพระอุตระทั้งสองรูปนี้ปริฤินิพพานที่เมืองไทยหลายๆท่านอาจจะเคยไปไหว้พระปะถมเจดีด้านทิศเหนือของพระปะถมเจดี จะเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโสนและพระอุตรระนะเพราะฉะนั้นพระโสนพระอุตรระเนี่ยขึ้นฝั่งทางฝั่งพมา่านะฝั่งทังมอนเมืองมอตตมะเก่าแล้วก็เผยแพร่ศาสนาเข้ามาถึงเมืองไทยลงไปทางใต้ถึงนครศรีธรรมราชตอนสุดท้ายเนี่ยท่านมาปรินิพานที่นครปฐมนะดังที่จะเห็นว่ามีเจดีบรรจุพระธาตุของพระโสนและพระอุตรระ ประวัติศาสตร์ของทางพมา่านั้นมีประวัติศาสตร์การขึ้นฝั่งและก็เผยแพร่ศาสนาไประยะหนึ่งแล้วก็หายประวัติศาสตร์ของไทยก็มีตอนหลังก็คือตอนปรินิพนธ์ตอนที่ท่านนิพพานมีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่านพระธาตุของท่านมันก็เอาประวัติศาสตร์สองฉบับมาชนกันเราก็จะเห็นภาพรวมว่าท่านขึ้นฝั่งต ร, ตรงไหนนิพพานตรงไหนแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะท่านพระโสณะพระอุตระ นำเอาพระพุทธศาสนามาให้ชาวสุวรรณภูมิครั้งแรกเนี่ยนำเอาธรรมะหมวดไหนมาเทศนะฮะญาโยมอาจะสงสัยนะครั้งแรกเลยที่ชาวสุวรรณภูมิของเราได้รับพระพุทธศาสนาจากพระโสณานะพระอุตระก็คือพระสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกว่าพรหมชาลสูตรพรหมชารสูตรพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องทิฏฐิ62ทิฏฐิหกิบสก็เป็นศาสต ร, ร์เทคนิค นะก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่าคว า, ามเห็นของสัตว์ใน31มบภพภูมิแบ่งเป็น62เกรดซึ่งคว า, ามเห็นเหล่านั้นถ้าความเห็นชาวบ้านคว า, ามคิดชาวบ้านคิดได้ขนาดนี้ถ้าผู้มีการศึกษาคิดได้อีกสูงระดับหนึ่งถ้าเป็นนักวิชาการก็สูงอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นนักบวชในยุค น, นั้นก็สูงอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าสูงขึ้นคว า, ามคิดของคนเนี่ยเรียกว่าเรียงระดับคว า, ามคิดมี62ขั้นด้วยกันที่เรียกว่าทิฏฐิ62 ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยหลายคนนับถือพุทธศาสนาแต่บอกว่าพุทธศาสนามีหลายอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อวิทยาศาสตร์เชื่อพุทธศาสนาครึ่งหนึ่งเชื่อวิทยาศาสตร100์ร้อยเปอร์เซแต่พอไปอ่านพรหมชาลาสูตรไปศึกษาพรหมชาลาสูตรก็จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ที่เรายกย่องแล้วก็ปักใจเชื่อร้อเอร์เซตเนี่ย ในพรหมชารสูตรอยู่ในกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิในกลุ่มของวีมังสีวีมังสีบุคคลที่ใช้ปัญญาในการคิดค้นวิจัยวิจารและก็ทำเป็นผลงานเป็นรูปธรรมออกมาอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิ62ในทิฏฐิ62เท่านั้นเองพุทธเจ้าดักไว้หมดแล้วแต่เนื่องจากเราไม่ศึกษาของที่ดีมีประโยชน์ก็คือพรหมชารสูตรเราก็มองวิทยาศาสตร์ ยิ่งกว่าเทพเจ้ายิ่งกว่าผู้ได้เจ้าแต่ในสมัยอดีตการนี้พระองค์ดักไว้แล้วกลุ่มนักวิยาศาสตร์คือกลุ่มวีมังสีวีมังสะแปลว่าปัญญาวีมังสีผู้ใช้ปัญญาในการคิดค้นสิ่งต่างๆและประดิษฐ์ออกมาเป็นรูปเป็นรูปประทรรมโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้เราอาจจะฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ก็ดีหรือคอมพิวเตอร์ก็ดีหรือหุ่นยนต์ เคยเปิดในพระไตรปิฎกเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมามีการสร้างหุ่นยนต์แล้วที่ไหนที่กรุงโรมและหุ่นยนต์2ตัวทางอินเดียซื้อมาซื้อมาใช้แล้วเมื่อ 2,600 ปีเนี่ยมีหุ่นยนต์เกิดขึ้นแล้วในพระไตรปิฎกได้บอกไว้ชัดเจนแต่หลังจากที่มันเกิดขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ตกลงนะหมดแล้วก็จะกําลังจะเกิดขึ้นใหม่เดี๋ยวสูงสุดเดี๋ยวก็จะตกลงหมดอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรม เราบอกว่าโอ้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยทันสมัยอย่างนู้นอย่างนี้นะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็ดีอะไรก็ดีนะหุ่นยนต์ก็เกิดเมื่อ2อ0ร้อปีนะญี่ปุ่นก็ทําอเมริกาก็ทําหุ่นยนต์นะสอ0ร้อปีเรามาฮือหาแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมามีบันทึกไว้ในพระไตรปิโดมีหุ่นยนต์ตัวจริงของจริงแต่มี2ตัวนะในพระไตรปิฎดกล่าวไว้หุ่นยนต์เนี่ยนะทางอินเดียเนี่ยไปนะขอมาไปซื้อมาจากกรุงโรม อันนั้นก็มีในพระไตรปิฎกโดยตรงเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นก็เป็นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาที่ทําให้เราพ้นจากทุกขคือ 84% ดหมพันธรรมขันธ์ที่ทําให้ผู้นับถือเนี่ยสามารถถือเอาประโยชน์ทั้งสประโยชน์ในชาตินี้ก็เอาได้ประโยชน์ในชาติหน้าก็เอาได้ประโยชน์สูงสุดคือประมัตถประโยชน์ก็เอาได้ประโยชน์ในชาตินี้ก็คือเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องขยันหาเก็บรักษาเป็นครบเพื่อนดีใช้ชีวิตแต่พอเพียงอันนี้คือมีอยู่มีกิน ประโยชน์ในทางวัฒนธรรมประเพณีจะเห็นว่าเดือนทั้ง12เดือนเนี่ยประเพณีแต่ละเดือนเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งนั้นจะประเพณีสงการก็ดีประเพณีลอยกระทงก็ดีประเพณีอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับเดือนทั้ง12ก็ไปจากนะฮะด้านพระพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปจากพระพุทธศาสนาซึ่งในด้านวัฒนธรรมประเพณีนะตอนนี้ทางเกาหลีกําลังขายวัฒนธรรม ผลิตวัตถุแข่งเนี่ยบางทีมันแข่งสู้เขาไม่ได้จะขายอะไรขายวัฒนธรรมแต่ตอนนี้เกาหลีขายวัฒนธรรมให้คนไทยเนี่ยติดงอมแงมเลยนะหลาให้คนต้องไปแดนจังกึมไปหาอาหารเกาหลีทานนะอาตมาก็เลยตั้งชื่อใหม่อาตมาก็เป็นพระเกาหลียมอาตมาชื่อนะซอนจีวุกนะนะะองค์นี้ชื่อซอนจีวุกนะนะยมรู้จักไหมนะซอนจีวุกฉายาสุกจีวอ เพราะนั้นเขาขายวัฒนธรรมขายวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมก็เอาไปจากไหนก็จากพุทธศาสนานี่แหละที่พมา่าก็เอาวัฒนธรรมของพุทธไปใช้ทั้ง12เดือนทั้งภาษาเมืองไทยเนี่ยพม่าได้ภาษาเอาภาษาจากพระพุทธศาสนาไปใช้เนี่ยไวยกากรณ์พม่ากับไวยากรณ์ภาษาบาลีโครงสร้างไวยากรณ์เนี่ยเหมือนกัน99เปอร์เซน โครงสร้างวยากรพม่าพระนักข่ายพูดพม่าเป็นจะพูดบาลีเก่งใครพู ด, าพดบาลีเก่ ง, กงจะพูดพมา่าเป็นโครงสร้างวยากร์เหมือนกันหมดเหมือนภาษาบาลีแต่คำศัพท์ดึงเอาไปจากภาษาบาลี 45% ของภาษาพมา่าในภาษาไทยดึงเอาคำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตไปใช้ในภาษาไทยประมาณ 40% แต่ยุคนี้น้อยสมัยก่อนเนี่ยเต็ไมไปเลยนะอันนี้ก็คือจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมประเพณี แม้แต่ลมหายใจเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเราเอาผลประโยชน์จากพุทธศาสนาเวลาเกิดโยมเขียนว่าไงแจ้งเกิดชาติใช่ไหมตอนตายล่ะมรณะนะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราเอาพุทธศาสนามาใช้ทั้งหมดนะฮะแต่เราไม่เห็นคุณค่าเท่านั้นเองถ้าเราเห็นคุณค่าก่อนเกิดเราก็ให้เกิดดีๆซะก่อนจะเกิดเนี่ยเอาพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระซะคนมีบุญเท่านั้นมาเกิดหลังจากนั้นถ้าเด็กคนนี้เกิดแล้วเนี่ย ถ้าเด็กดือ้อเด็กอะไรเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์เอาซีดีสวดมนต์เด็กที่ดือ้อก็จะหายดื้อขึ้นมาได้อันนี้คือประโยชน์ที่ได้ตั้งแต่ก่อนเกิดขณะเกิดหลังเกิดแล้วก็หลังตายไปแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งภาษาวัฒนธรรมประเพณีอันนี้มองแบบพื้นพื้นเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยญาติโยมสาธารณชนก็จะมองดูเอ๊ะจริงๆเนี่ยคนเราเลือกเกิดได้ไหมเลือกได้ทําไมจะบอกเลือกได้ เพราะเลือกที่จะทําคุณงามความดีได้เลือกที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติภิในการมแล้วก็ภิกกรรมเมโมสาวา ด, ดื่มสุราเมลัยก็แสดงว่าเลือกที่จะไปอบายถ้าเลือกที่จะรักษาศีลห้าก็แสดงว่าเลือกที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลแปดก็แสดงว่าเลือกที่จะไปเป็นเทวดาถ้าเลือกทําสมถกรรมฐานสี่สวิธีก็เลือกที่จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าเลือกที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็แสดงว่าเลือกที่จะไปประนิพพานเลือกได้ไหมเลือกได้ นะเลือกเกิดได้เลือกแก่ได้เลือกเจ็บได้เลือกตายได้เลือกได้ทุกอย่างถ้าเอาคำสอนของพุทธศาสนาไปใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะให้ญาติโยมเห็นว่าพระพุทธศาสนามีประโยชน์อะไรบ้างนะอันนี้คือพื้นพื้นในภาษาก็ดีวัฒนธรรมก็ดีประเพณีก็ดีการเป็นอยู่ร่วมกันแม้แต่การพูดการจานะอย่างเช่นเรื่องโค น, นันธทวิสารการพูดการจามีความสําคัญมากขนาดโคเนี่ย ยังต้องฟังต้องการคําพูดที่สุภาพสุภาพฉไหนมนุษย์จึงจะพูดไม่สุภาพเล่าเพราะฉะนั้นหลักการพูดการจารในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจนเลยอยากมีรูปร่างสมสัดส่วนผิวพรรณผุดพองไม่สูงเกินไม่เตี้ยเกินไม่พร้อมเกินทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยฟันเรียบฟันงามฟันเสมอลิ้นบางลิ้นยาวพูดได้ชัดพูดได้กล้องไม่ติดอ่างรักษาอะไรวัจีสุจริตีไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อจะเอาหุ่นขนาดไหนยิ่งกว่านางวิสาขาก็ยังได้ ต้องการเสียงกระหึ่มเหมือนเสียงพรมได้ไหมได้พรมก็ดีนกกระเวกก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีมีพระสุรเสียงที่มีโทนเสียงแปประการเสียงไม่แหบไม่แห้งเสียงไม่เครือผ้าเสียงดังฟังชัดเสียงไปรอดสนอโซเสียงทุ้มเสียงก้องกังวานเสียงฟังแล้วจับจิตจับใจโคนเสียง8ปดประการเนี่ยถ้าอยากได้รักษาเอาเลยว่าจีสุจริตีในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ชัดเจนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเนี่ยพ ร, ระองค์มีพระสุรเสียงอันไพเราะก็เพราะพระองค์รักษาวจีสุจริตสีหนึ่งไม่พูดเท็จสองไม่พูดส่อเสียดสไม่พูดคำหยาบสไม่พูดเพ้ er อเจ้อญาติโยมหลายคนก็บอกเอ๊ไม่พูดเท็จเนี่ยทำยังไงดีอ๋อไม่พูดเท็จพอได้อยู่ไม่พูดส่อเสียดให้คนแตกแยกกันก็พอได้อยู่ไม่พูดคำหยาบอ๋อก็ฝึกพอได้อยู่แต่ไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยทำยังไงดีท่านยากและเกินไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากเลยขอให้เข้าใจเข้าใจยังไง เอาง่ายๆที่พูดได้ไม่เป็นบ้าใบาบอดหนวกนึกถึงว่าที่พูดได้ไม่ใบเนี่ยเพราะบุญจากการรักษาศีลข้อที่5้าเรามีบุญนะเราจึงสื่อสารกันได้ถึงจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นึกถึงบุญคือการรักษาศีลข้อที่ห้าข้อแรกข้อที่2องไอ้คุณหูไม่หนวกก็แสดงว่าคุณรักษาศีลข้อที่ห้าไว้ดีคุณยังฟังได้ข้อต่อมาเสียงที่ได้ยินก็เป็นสักแต่ว่ารูปผู้ดได้ยินคือจิตที่เกิดทางหูก็สักแต่ว่านามมีแต่รูปกับนามเท่านั้นที่สื่อสารกันอยู่ตอนนี้ หรือเอามากกว่านี้ล่ะเสียงที่ได้ยินก็ไม่เที่ยงผู้พูดก็ไม่เที่ยงผู้ฟังก็ไม่เที่ยงดึงเข้าสู่ไตลักษณ์ตอนแรกจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พูดเรื่องการเมืองเอเมริกันก่อนสองสัปเนี่ยสสเล่นกันในสภาเหนือเลตุ่มแปะ๊ะเราก็พูดกันแหมสภาของเราเนี่ยบวชสภาพแล้วพอจบแล้วไอ้ที่กล่าวไปนะไอ้สอสอก็ไม่เที่ยงคนพูดก็ไม่เที่ยงคนฟังก็ไม่เที่ยงดึงเข้าสู่ไตลักษณ์ไม่เป็นสำหรับปราปะแล้วเพราะนั้นดึงจบให้จบให้เป็น จบให้เป็นถ้าจบเป็นทุกอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณบอกสอนให้จบจะถวายอะไรก็เอามายกขึ้นศีรษะเพื่ออะไรเพื่อจบสุทินนางวตาเมธนางอาสวะขยังวหังโหตุจบสิ้นจาักการเป็นของเราจบสิ้นอาสวะกิเลสไม่ว่าอะไรก็ตามมันจบที่ใจของเราถ้าจบเป็นเนี่ยไม่เป็นสัมผปลาปะพูดแล้วก็ค้าคงทิ้งเอาไว้พูดแล้วทําให้คนสงสยัยเอ๊พะพระทําไมพูดเรื่องการเมืองโยมไอ้ที่โยมได้ยินนะมาเป็นสัทธารมณ์เป็นปรูปธรรม นะผู้ได้ยินก็ไม่ใช่โยมหรอกใครได้ยินจิตที่เกิดทางหูโสตวิญญาณจิตนามเป็นผู้ได้ยินเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามโจเลยไม่เป็นสัมผัสปลาปากปรันโยมตั้งใจรักษาเถิดนะวจีสุจริตสีเพราะหนึ่งพลังเสียงนี่จะกระหึมขึ้นมาทันทีเสียงต้องกังวานนะเสียงไพเราะสนอโสเสียงทุ่มเสียงฟังแล้วจับจิตจับใจเสียงไม่แหบไม่แห้งเสียงไม่เคลือผ้าอยากได้รักษาเอาวจีสุจริตสีเพราะนั้นเนี่ย ต้องจ่ายเงินไหมโยมไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวหนึ่งถ้าใครรักษาได้วาจาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีทารักษาได้นะชาตินี้เลยวาจาศักดิ์สิทธิ์ชา ต, ติต่อไปล่ะรูปร่างสมสักดิ์ส่วนผิวพรรณผุดพองแต่ไม่ผอ ม, มเกินไม่เตี้ยกเกินไม่สูงเกินปันเรียบปันงามปันเสมอลิ้นบางลิ้นยาวพูดชัดพูดได้คล่องไม่ติดอ่างแล้วคนธรรมดาพูดได้หนึ่งคำคนที่รักษาวัาจีสุจริตสีจะสามารถพูดได้ถึงหนึ่งรยบแดคำสปีดได้เร็วขนาดนั้น แล้วก็เสียงไม่แหบไม่แห้งไม่เครือนผ้าดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เทศเนี่ยยกคัมภีร์เล็กๆไม่ให้ดหูหนึ่งเล่มนะอันนี้คือคมภีร์มหาปฐานคัมภีร์มหาปฐานเนี่ยถ้าเอามาพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกอย่างพิสดารโดยไม่ต้องเปยยาละในเนี่ยเอามาพิมพ์อย่างละเอียดเลยต้องพิมพ์พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ๆขนาดเนี่ยสล้านห 0,000 นกว่าเล่มแต่พระองค์ไปเทศบนสวรรค์เทศยังไงให้จบใช้ระบบไฮสปีดไฮสปีดนันสต็อป แล้วเทศแล้วเทวเทดาฟังทันฟังรู้เรื่องแล้วก็เกิดประโยชน์คือเทวดาได้บรรลุถึง24ี่โกดนะเราก็มาสวดกันนะใครอยากจะสวดเดี๋ยวไปนะวันที่4ี่ที่ท้องสนามหลวงโฆษนาไว้เลยนะวันที่สี่ช่วงบ่ายเต็น์กรมาศาสนาจะมาจะไปนำสวดนะตั้งแต่เหตุ ป, ปัจจโยอารมนาปัจจโยอธิปริ ป, ปัจจโยแต่พระเจ้ามาใช้ไม่ใช่เทศสั้นๆหรือช้าๆอย่างเงี้ยพระองค์ใช้สปีดเร็วเลย ขวาขึ้นปุ๊บก็เหตุปจยรพจนปจยตริปจโยนัน์ปจโยตระปจโยตระปจโยตระปจโยตปจยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจยติปจรยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจโยติปจยตุปนโยติจยติโยติจโยติปจโยติจยตติปจยติปจโยจยตจยจยจยจยจ อารมณปัจโยกกรทั้งอารมณ์ที่เป็นมัญญะอารมณ์ที่เป็นปรมาทิปฏิปปัจโยอธิปฏิสีชั้นทาธิปฏิวิทยาธิจิตาธิวิมังสารธิปติอันนี้ก็คือในเในื้อหาของตรงนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเนี่ยสปีดเร็วมากเราเพิ่งจะได้สักสี่ห้าคำพระองค์ไปแล้วร้อยยี่สิคำเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้เนี่ยรักษาเอาเถิดอันนี้คือประโยชน์ที่ได้จากการนับถือพุทธศาสนาต้องการอะไรเรียกว่าพัฒนาตนเองได้ทั้งหมดอยากเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาบรมเพณบารมีทั้ง10บอยากเป็นพระอินใช่ไหม บำเพ็ญวัตถบทเ็ประการได้เป็นพระอินทร์แน่นอนอยากเป็นพระราชาได้ไหมก็มีคุณธรรมที่ทําให้เป็นพระราชาโตสพิทราชธรรำหรืออยากเป็นมนุษย์ใช่ไหมเอารักษาศีลห้าอยากเป็นเทวดาใช่ไหมรักษาศีลแอยากเป็นพรหมใช่ไหมเจริญสมถักรรมฐานสีิวิธีให้ได้ฌานอภินยาอยากไปนิพพานใช่ไหมเอาเจริญ น, นิพพานาพิจารณาตัวดาวห้เหตุเป็นรูปนามกัน5แค่นี้แหละไปนิพพานได้เพรา ะ, ะนั่นต้องการทําอะไรได้ทั้งหมดในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือฝากญาติโยมสาธุชนเนี่ยสัมผัสปราป ล, ล, ล, ลาเพเจอ ร, รักษาไม่ยยากกกหออน็คืลงจบใ้สว จบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามอย่างนี้ก็ได้หรือเสียงที่ได้ยินก็สักเสียงผูดได้ผู้พูดก็ไม่เที่ยงเสียงที่ได้ยินก็ไม่เที่ยงผู้ฟังก็ไม่เที่ยงจบแค่ตรงนี้นนไม่เป็นสัมผ า, าปลาปะและเราจะสามารถสปีดได้เร็วเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุธทธเจ้ากระทาได้ญาติโยมมองในด้านข้างเห็นไหมธงฉัพนรังสีจริงๆชื่อธงฉัพนรังสีนะอาจารย์บรรจางบอกธง ศา ส, สนาพุทธสากลทงพุทธสากลอันนี้มีโบชัวแจกมีใบปลิวแจกทงพุทธสากลบางท่านเขบอกทงลังกาบางท่านก็เรียกว่าทงเนปาลจริงๆเรียกว่าทงฉับพนารังสีทงฉับพรนารังสีออกมาจากตรงไหนทงฉับพรนณรังสีออกมาจากบทที่อัตมาสวดเมื่อกี้นี้แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาธรรมะแปดหมนสี่พันธรรมขันไม่มีอะไรพิเศษพอเริ่มพิจารณาคัมภีมหาปาานพอเริ่มอย่างลงเหตุป hey, ัต โยอารมัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยคือเหตุตัปัจจยเหตุตัวคำเดียวอธิบายขยายเนื้อความไปอีกห้หน้ากระดาษความลึกของธรรมะมีขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นปัญญาของพระพุทธองค์มีโอกาสได้ใช้เต็มที่พอปัญญามีโอกาสได้ใช้เต็มที่เกิดอะไรเกิดปิติโสมนัสแล้วโสมนัสขนาดไหนโสมนัสขนาดที่ว่าไม่ต้องทานอาหารมีปีติหล่อเลี้ยงชีวิตนะและสิ่งสําคัญก็คือ บทนี้ทำให้เลือดลมในพรากายของพระ อ, องค์สะอาดหมดจด ในขณะที่พระองค์สวดไปพิจารณาไปเหตุปัจจุรันนาปจจุบันพี่บริวจนันทราชปัจจุบันนันทราปัจจุบันทันทราปัจจุบันญาปัญจาปัจจุบันจิตยาปัจจุบันอุพระตยาปัจจุปัริชาตาปัจจุบันปัญญาตาปัจจุบันเดวนาปัจจุบักาาปัจจุบันปะกวมไปัจจุบันหราปัจจุบันอินทรปัจจุบันชนะปลจจุบันหนกับปัจจุบันัมจุตปัจจุโักาิของตระองค์ันอาดหมดจดทําให้แสงสีแดงออกจากพระโลหิต แล้วในขณะนั้นพระอัฐิคือกระดูกของพระองค์ก็สะอาดโมโหจดทําให้แสงสีขาวออกจากพระทนและพระอัฐิในขณะที่พระองค์สวดไปพ่อรากายพระชวีวันของพระองค์นิสะอาดโมโหจดทําให้แสงสีเหลืองออกจากพระชวีวัน ในขณะที่พระองค์สวดไปสวดไปสวดไปสว ด, ด, ดไปน่ะเรียกว่าเลือดลมในร่างกายสะอาดหมดจดทําให้แสงสีนินแสงสีเนีนสีน้ําเงินน่ยนะออกจากพระเกศออกจากพระเนตรของพระองค์พุ่งประกายเป็นแสงสีนินออกมาในขณะที่พระองค์สวดออกไปเปอร์เซ็นแล้วก็เลือดลมสะอาดโมดจดมีแสงสีหงสะบาดสีหงสะบาดแล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหายัางไงถ้าคนผิวขาวลองกํามือแน่นๆกํามือปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือของเราเลือดสีอะไรนั่นแหละ แต่ถ้าคนผิวดำล่ะกํามือปุ๊บแล้วก็คลายออกมาก็จะเห็นว่าฝ่ามือของเราสีอะไรลองกำแน่นๆดูนะเพราะฉะนั้นคํานี้มันมีปัญหาเอ๊สีหงสบาดบางที่ก็ใช้สีชมพูบางครั้งก็ใช้เป็นสีแสดอย่างเนี้ยมันอะไรอะไรอะไรกันแน่อ่าแล้วแต่คนผิวขาวหรือผิวดําลองกํามือแน่นๆเลยกำปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็เห็นอ๋อเนี่ยสีนี่แหละสีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสีหงสบาดสีหงสบาดสีเท้าหงนั่นเองสีเท้าหงเรียกว่าหงสบาด แล้วก็สีสุดท้ายก็คือ5สีมารวมกันเป็นสีที่6เรียกว่าสีประพัดสอสีระยิบระยับเหมือนประกายเพชรนั่นเรียกว่าฉับพลันรังสีแสงเหล่านี้เนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าฉับพลันรังสีของอังกฤษเขาเรียกว่าแสงออร่าแสงออร่าเนี่ยนักวิยทยาศาสตร์ชาวจีนสามารถผลิตเครื่องมือตรวจวัดแสงเนี่ยกับคนได้ทุกคนแต่ของอเมริกาเขาใช้แสงใช้ตัวอีกสีหนึ่ง นะก็คือจับแค่ความร้อนแต่ของเมืองจีนนักวิทยาศาสตร์เมืองจีนสามารถตรวจจับแสงชนิดนี้ทุกคนมีทุกคนมีแล้วอยากมีแสงไ ม, ม่ยอมเขาเนี้ยอยากมีแสงไหมอยากมีแสงไม่ยากเลยวันหลังนะ่ะใส่เพชรมาเยอะๆแสงออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงเนี่ยเทวดาวัดกันด้วยแสงอยากให้แสงออกมีหยอสองอย่างในร่างกายเจริญวิปัสนาจนถึงขั้น ปัจสถานิแล้วก็ตอนนั้นเกิดปีติและเกิดโอภาษแสงสว่างเกิดขึ้นในขนาดที่วิปัสณูปกิเลสเกิดเนี่ยแสงสว่างจะเกิดทั่วร่างกายของคนปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแสงสว่างเกิดได้ไม่ใช่หิ่งห้อยเป็นคนนี่แหละสามารถให้แสงเกิดได้โดยการเจริญวิปัสนาถ้าต้องการให้แสงที่เป็นจัพรพลังสีออกมานะถ้าเป็นแสงที่เกิดจากการเจริญวิปัสนาจะเป็นแสงสีขาวนวลสว่างสวยแต่ถ้าเป็นแสงที่เกิดจากการ พิจารณาธรรมะคือคำพีมหาปฐานจะเป็นแสงที่เป็นฉับพันรังสีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะท้าพิสูจน์โยมใครบ้างจะขอท้าพิสูจน์ว่าเนี่ยถ้าไปสวดจริงๆแล้วเนี่ยแสงจะเกิดขึ้นนะอัตมาก็ท้าดวนที่ฉนามหลวงและก็มีญาติโยมท้าพิสูจน์โยมขอท้าพิสูจน์อ้าวได้ให้ไปเรียนอภิธรรมเจ็ดปีหกเดือน ในขณะนั้นทุกวันทุกวันให้สวดคมภีรมหาประฐานแล้วพอถึง4ี่ปีไปที่อินเดียไปนั่งใต้ต้นโพตรงบริเวณลาตนาคารเจดีแล้วก็นั่งสวดและให้เพื่อนนั่งเป็นเพื่อนด้วยในขณะที่สวดไปสวดไปเกิดอะไรขึ้นแสงออกจริงๆรงนะแสงในขณะคือให้เพื่อนนั่งรออยู่เป็นดูซิ อาจารย์บอกว่าจะจริงหรือไม่จริงแต่ก่อนจะไปนะประฐานเหตุตุบจิวารำประจิวารีคล่องเลยเรียนจนเข้าใจแล้วท่องจนขึ้นใจแล้วก็สวดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนจนมีพลังพอไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพตมบริเวณรัตนารั์เจริสวดไปสวดไ ป, ไปเกิดอะไรขึ้นแสงเนี่ยแสงแสงฉับพลังสีเนี่ออกจากร่างกายของเขาทันทีเพื่อนที่นั่งเห็นก็ตะลึง นั่งมองแต่เขากรสวดไปนะก็ไม่ต้องเปิดหนังสือหรอกจำได้หมดเลยเหตุตัปวรำนปวติปิปัตอตรปนันมปิติรรีอปริิยมปิมปวประาธรนรปวรมรรมปัาปวิอดียปฏิวัติกรรมปฏิวัตุดธปตวิปฏวอันตรปติระัปววระดับปฏิวัจะสวดอย่างรวดเร็วกัสวหตุตวันตุกัวันแล้วกิดอะไรรึ้น หนึ่งสวดได้สองแปลได้เข้าใจความหมายในขณะนั้นเนี่ยจิตที่ยังลงไปเนื้อในเนื้อหาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางปัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดปีติโสมนัสพอเกิดปีติโสมนัสที่เป็นมหากรุสโสมนัสญาณสัมปยุทธ์แสงมันก็ออกมานะแต่โยมท่านนี้บอกไม่ขอเปิดเผยตัวว่าเป็นใครขอปิดไว้เป็นพยาบาลด้วยแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลนี้นะนะมียศเป็นนายพันด้วยเป็นพยาบาลด้วยนะแตขอบอกแค่นี้ก็แล้วกันก็ขอปิดว่า ไปสวดแล้วไปท้าพิสูจน์แล้วเป็นจริงๆไปนั่งสวดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่บทสวดเนี่ยเราก็ยังได้มหาศารนะอันนี้คือจากการที่รักษาหนึ่งวจีสุจริตสีก็รักษาแล้ว2ก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็สวดสารทยาอยู่เป็นประจำเพรา ะ, ะนั้นตอนนี้ก็ฝากญาติโยมสาธุชนในส่วนตรงนี้ว่า เรานับถือพระศาสนาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ด้านภาษาเราก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ด้านวัฒนธรรมเราก็ได้นะวัฒนธรรมประเพณีนะนภาภานนะประโยชน์อื่นๆอีกมากมายหลายอย่างเราก็ได้อันนี้ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันนะที่เรามองเห็นได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าไม่ต้องพูดถึงยี่เลือกเกิดได้เลือกไปสวรรค์ได้เลือกไปนิพพานได้นะหรือเมื่อหันมัธือพุทศาสนาแล้วพุทธศาสนาคําสอนของพระุทธองค์เนี่ยทำให้พัฒนาตัวเองได้เร็วที่สุด นะฮะเรกวพัฒนามนุษย์เครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่ดีสุดก็คือพุทธธรรมศีล ส, สมาธิปัญญานั่นคือเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดแต่ถ้าใครต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเอาเลยเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาจะพัฒนาจากปุถุชนให้เป็นอริยะได้นะโดยไม่ต้องรอชาติหน้าอันนี้ก็คือเราจะเห็นเราจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ย 2,600 ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรบ้างจากการนับถือพระศาสนาถามตัวเรา เราสวดมนต์แล้วเราสบายใจไหมสบายใจเราแปลได้ไหมถ้าแปลได้ปัญญาเกิดแล้วถ้าสวดไปบ่อยล่ะเอาบทเดียวสวดกลับไปกลับมากลับมากลับมามีสิทธิ์ได้ฌานพิญญา แล้วบางองล่ะนั่งบริกรรมไปนั่งบริกรรมไปบางองได้บรรลุเช่นพระจุลบรรทูกบริกรรมประโยคเดียวรัชวรนังรัชการาจรัชวรนังราชการาจรัชวรนังราชการาจรัชวราังรการจัชาังรัาราจนั่งบริกรรมเอาผ้าเช็ดหน้ามานาูปแล้วก็นั่งบริกรรมรัชวราดังรัชการาจริชวราังราชการาจีรัชวรนังรัชการาจรัชวราังรัชกผราสีราชวราดังราชการาจีรัชวราดังรัชการาจีรัชวราดังผ้าสีขาวเนีายช้เอามือไหลมงแล โอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันปฏิกูลขนาดนี้เฉยหรือโอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันปฏิกูลมันน่าเกลียดอย่างนี้เองน้อมเข้ามาในขันห้างตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายกำลัดยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาได้บรรลุนาวิปัสนาญาณเกิดตามลำดับจนได้อรหัตตมัคคยาณพร้อมนั่นแหละปฏิสัมพิทาสจุดเริ่มต้นสมถกรรมฐานแต่เปลี่ยนจากสมถะเป็นนิปัสนาแล้วก็ได้บรรลุมรขุนิพพานเพราะฉะนั้นเอาคําใดคําหนึ่งบริกรรมก็ได้จุดเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นเปลี่ยนจากสมถะเป็นนิปัสนาก็จะได้ประโยชน์มหาา เพราะฉะนั้นเรานับถือพระศาสนากันตอนนี้ 2,300 กว่าปีมาแล้วแล้วครั้งแรกที่ชาวสวรภูมิได้นับถือพระศาสนาจากพระสูตรสูตรแรกคือพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรนี้เป็นพระสูตรที่บอกถึงพรหมะแปลว่าประเสริฐชาละแปลว่าขายขายอันประเสริฐหรือญานชาลสูตรญานก็คือยานชาละขายขายแห่งยานของพระพุทธเจ้าที่ดักขายความคิดของสัตว์ในสามสิบเอ็ดภพภูมิหรือสูตรนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัฏฐชาลสูตร เป็นขายแห่งประโยชน์ใครก็ตามที่เข้ามาในเครือข่ายนี้ทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดใครก็ตามที่เข้ามาในเครือข่ายนี้จะได้ประโยชน์ทั้งหมดประโยชน์ในชาตินี้ก็ได้ประโยชน์ในชาติหน้าก็ได้ประโยชน์สูงสุดก็ได้หรือพระสูตรนี้เรียกว่าสังขามะวิทยสูตรเป็นพระสูตรตําราพิชัยสงครามต้นฉบับแต่สงครามนี้ไม่ใช่เป็นลบทับจับสึ่กับคนอื่นเป็นการทำพิชัยสงครามกับกิเลส ท, ที่อยู่ในใจของตน นะฮพระนิพะสูตรนี้ก็จะเรียกชื่อสี่จูดรพรหมชาราสูตรธรรมชาราสูตรเครือข่ายแห่งพระธรรมอัตชาราสูตรเครือข่ายแห่งประโยชน์นะแล้วก็สังขามวิทยาสูตรเป็นพระสูตรตํำราพิชัยสงฆามชาวสุวรรณภูมิได้รับธรรมะจากพระสูตรนาประอุตระเมื่อ 2,300 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมวันนั้นชาวสุวรรณภูมิขอบวชถึง900าคน900าคนโยมฟังเทศฟังธรรมแล้วลึกซึง้งเข้าใจได้บรรลุ แล้วขอบวชถึง 9,00 าคนหลังจากนั้นพุทธศาสนา ก, ก็เผยแพร่ไปทั่วสวนภูมิจะเป็นเมืองมณลกรีสวนในคนครปฐมกรีนครศีธรรมราชกรีในเขตเนี้กระจายไปหมดพระ900า 9, รูปเนี่ยกระจายไปมีภิกษุณีด้วยในยุคแรกเนี่ยสิรูปมีทั้งพระมีภิกษุณีนะก็มีพระอยู่5นะมีพระอยู่5สําหรับอุบุสมบทได้แล้วก็มีภิกษุณีอีก5นะแล้วหลังจากนั้นก็มีอุบาสกอุบาสิกาติดตามมาในกระบวนนั้นสิบห้ 15รูปท่านคนในในการที่มาเผยแพร่พุทธศาสนาเมื่อพศ .300 ก ว, กว่าที่พระโสาที่พระเจ้าอาโศกมหาราชส่งมาเผยแพร่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเรานับถือพระศาสนากันมาเนี่ย2 0 0 0กว่าปีแล้วเราต้องสํารวจตรวจสอบเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากตัวเนี้ยถ้าวันนี้ญาติโยมหรือโอ้เราได้ประโยชน์จากตัวนี้ตัวนี้นี้ถ้ายังมองหาประโยชน์ไม่เจอรีบเขียนคําถามไว้จะเอาประโยชน์อะไรบ้างจากการนับถือพุทธศาสนา โยมก็นับถือมานานแล้วแต่โยมยังได้ประโยชน์เท่าที่ควรเลยโยมจะทํำยังไงดีเอาเขียนมาเลยอยากได้ประโยชน์อะไรจากพุทธศาสนานถามมาแล้วธรรมาก็จะเอาพระไตรปิฎกที่เอาเนื้อหาพระธรรมที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้เนี่ยโยมต้องการสิ่งนี้ก็จะแนะนพระสูตรสูตรนี้ต้องการสิ่งนี้ก็จะแนะนพระสูตรสูตรนี้ 84% ดหมนพันธรมขันแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งหนึ่งสำหรับโลกิยาผลใครไม่ยังไม่ไป น, นิพพานต้องการได้มีความสุขในมนุษยสมบัติสวรรค์สมบั ต, บติแล้วก็พรหมสมบัติเอาธรรมะหมวดนี้เรียกว่าวาสนาภาธิ ใครต้องการไปนิพพานเอาธรรมะโซนนี้เรียกว่านิพาพเอธภาคียะ 84% ดหมนสี่พันธรมขันแบ่งเป็นสองโซนคุณอยากไปนิพพานไปโซนนี้คุณยังไม่อยากไปนิพพานอยากมีความสุขอยู่ในมนุษย์ในเทวดาในพรมเอาโซนนี้แบ่ง8ปดหมนสี่พันธรมขันและหลังจากนั้นต้องการอะไรเขาเนี้ยนะต้องการประโยชนในชาตินี้ทันทีได้เลย ต้องการอะไรได้หมดในพุทธศาสนาเพราะศาสนาแปลว่าเครื่องมือในการที่ทําให้ผู้นับถือสามารถถือเอาประโยชน์ทั้งสมเรามีเครื่องมือดีๆแต่เราไม่ใช้แล้วจะได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรไหมไม่ได้เครื่องมือราคาแพงมากแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าคือใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นปุ๊บเนี่ยเราได้ทันทีเลยนะอยากมีอายุยืนอ่าวปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็บอกวงการแพทย์เนี่ยจเจริญก้าวหน้ามากแต่แต่อะไรคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น อาแล้วหมอรักษาหายไหมหมอเองก็ไม่รอดถ้า ม, มะเร็งระยะสุดท้ายแล้วทาไมเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีละสี่หมื0 0 0ีนที่ต้องตายเพราะมะเร็งเนี่ยทําไมเอาไม่รอดน่ะทางการแพทย์เก่งไมหมเก่งมากเก่งมากเลยแต่ว่าทําไมเอาไม่รอดที่เอาไม่รอดเพราะโรคเกิดจากกรรมโรคเกิดจากจิตอุตุอาหารเนี่ยหมอช่วยได้แต่โรคเกิดจากกรรมหมอไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกิดจากกรรมเนี่ยโรคเกิดจากกรรมก็คือทําอะไรจึงจะเป็นโรคอย่างนี้ ชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบฆ่าสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้เป็นเหตุที่รักษาเป็นโรครักษาไม่หายเพร้นทํายังไงล่ะอยากมีอายุยืนจริงๆร่างกายแข็งแรงจริงรักษาศีลศีลนั่นแหละทําให้มีอายุยืนโดยเฉพาะศีลข้อที่หนึ่งอายุยืนร่างกายแข็งแรงไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อายุยืนถ้าศีลอีกข้อคือข้อที่ห้าจริงๆแล้วทั้งหข้อนั่นแหละช่วยกับสุขภาพทั้งหมดเลย ตรงๆก็คือศีลข้อที่1และศีลข้อที่5ตรงๆลองลงมาที่ไม่ได้ตรงๆก็คือข้อที่2ก็ดีข้อที่3ก็ดีข้อที่4ก็ดีนะโดยอ้อมแต่โดยตรงๆ15ึ่้าเนี่ยเรียวกว่าเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเลยถ้ารักษาเอาไว้ดีเนี่อรับประกันได้เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอัลไซเมอร์นะสติปัญญาไม่เสื่อมอันนี้ก็คือตรงๆไอ้ตาที่ฟ้ามันฟางเนี่ยมองไม่ชัดก็เพราะศีลข้อที่4นะฮะเป็นโรคเอชเป็นโรคอะไรก็เพราะศีลข้อที่3นะฮะแล้วก็ รูปล่างไปสมสัดส่วนเตี้ยกวเตี้ยเกินสูงกระเซิน ส, สูงเกินกเพราะศีนข้อที่4ี่นะอันนั้น ก, ก็จะเห็นว่าโอ้ทุกอย่างเนี่ยมาจะหมดนะแล้วก็ศีลข้อที่2องล่ะสินข้อที่2เนี่ยเนะพราะผิดแล้วศีลข้อที่สองก็จะต้องเอาเงินไปใช้รักษาโรคมีเงินก็ไม่สามารถใช้ความสุขจากเงินได้ต้องเอาเงินไปรักษาโรคอย่างเดียวทําไมล่ะชอบผิดศีลข้อที่สองถึงจะมีเงินด้วยการให้ทานก็จริงแต่ พอมีแล้วแทนที่จะเอาเงินไปหาความสุขสนุกสนานหรือหาความสบายแต่ต้องเอาเงินมารักษากายอย่างเดียวก็จะเห็นว่าอ๋อสี่ทั้ง5้าเนี่ยมันเกี่ยวกับสุขภาพจริงๆนะเพราะฉะนั้นอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสี่หรักษาเถิดนะแต่ไม่รักษาพระเจ้าไม่บังคับนะโยมไม่ยังไม่มีศรัทธาเอาไม่เป็นไรโยมประตูนรกเปิดอยู่ประตูเปรตประตูสุรกายให้เปิดอยู่ไม่รักษาก็ไม่เป็นไรนั่นแหะประตูอบายเปิดอยู่แต่รักษาล่ะประตูบายปิดให้แล้วแค่นั้นเอง นะไม่บังคับแต่บอกให้รู้ว่าถ้าไม่รักษาประตูอบายเปิดรอถ้ารักษาปิดประตูอบายไว้กับตนเองไม่ต้องไปนะมีสิกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกอันนี้คือพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นเราจะถามตัวเองว่านับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้ประโยชน์อะไรนี่คือเราจะต้องถามกับตัวเองนะไม่ใช่ถามมาตมานะโยมต้องถามตัวเองว่าโยมนโยมเนี่ยนับถือพุทธศาสนาโยมได้อะไรบ้างถามตัวเองแล้วก็ลองดูเอ๊ะหรือว่าเดาได้แค่ให้ใหทาน เ, เราก็เคยรักษาศีลนะเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเราเราข่มอารมณ์ได้อ๋อเพราะธรรมะนี่แหละ เ, เรามีการศึกษาระดับนี้กัเพราะธรรมะนี่แหละนะเราเป็นค น, นระดับนี้ได้กับเพราะธรรมะเราก็จะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามนี้ควรถามตัวเราเองก่อนเพราะถามตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างเอ้ามาถามอาตมาเขาเนี่ยอาตมาจะตอบให้สิ่งแรกเลยต้องถามตัวเองก่อนว่านับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้อะไร แล้วอาตมาล่ะอาตมาได้อะไรนะอาตมาก็จะถามจริงๆเนี่ยถ้าอาตมาไม่มาบวชนะป่านนี้ก็ไปแล้วกลับบ้านเก่าพอาบวชแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ <S <S นอกจากมีชีวิตอยู่ได้เรียนธรรมะของพุทธเจ้า <N> นอกจากเรียนธรรมะของพุทธเจ้าเอามาใช้กับตนเองและยังเอามาฝากญาติโยมได้อีกนะเพื่อนรุ่นเดียวกับอาตมาเนี่ยกลับบ้านเก่าหมดแล้วซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเก่าหมดเพื่อนรุ่นเดียวกันถ้าไม่บวชล่ะก็กลับบ้านเก่าเรียบร้อยแล้ววันนั้นคือประโยชน์ที่เห็นชัดๆไม่ต้องไปมองไกลหรอก นะเพราะนั้นก็เราถามตัวเองเราได้อะไรบ้างจากการนับถือพุทศาสนาอันนี้คือถามพราะถามเสร็จแล้วของมันมีค่าขนาดนี้แล้วเราจะไม่รักษากันหรือนะเราต้องช่วยกันรักษาเพราะอะไรเพราะมันมีค่ากับตัวเราพ่อแม่เนี่ยเราเอาศัยคันเกิดก็ชาตินึงแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินับพบชาติไปทัว่วทําให้เราเป็นพระอริยะ ก, ก็ได้เราก็ต้องมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้เราจะรู้อ๋อเรานับถือพุทธศาสนา บาปก็รู้บุญก็รู้โอ้ถ้าทำบาปไปอบายถ้าทําบุญไปสู่สุคติถ้าทําสมาธิ ї, ได้ชาญไปเกิดเป็นพรหมถ้าจเจริญวิปัสนาไปนิพพานเรารู้หมดเลยคนเนี้ยพอรู้หมดเราจะเดินหรือไม่เดินขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วพวระพุทธเจ้าบังคับไหมไม่บังคับชี้ทางให้ดูชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุกเกษมสารชี้ทางพระนุพ่านอันพ้นโศกวิโยคภยัยชี้ให้เราเห็นทั้งหมดเลยแต่เราจะเดินหรือไม่เดินเพราะฉะนั้นวันนี้ ฝากให้ญาติโยมก่อนที่จะถามคําถามอาตมาถามตัวเองก่อนนับถือพระพุทธศาสนาแล้วได้อะไรถ้าตนเองยังให้คําถามตัวเอ ง, เองไม่กระจ่างแล้วก็ยิงคําถามมาที่อาตมาแล้วจะให้โยมทํำยังไงนะลองถามตัวเองก่อนนะสำรวจตัวเองก่อนอาตมาก็สํารวจตัวเองอยู่เอ๊ะเรานับถือพุทธศาสนาเราได้อะไรสิ่งแรกอาตมาก็เห็นสิ่งแรกก็คือชีวิตที่ได้อยู่นี่แหละแต่ทําไมนับถือทําไมบวชไปแล้วนะแล้วต่อมาถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนา ปานนิยมก็ไม่รู้จักอาตมาอาตมาก็ไม่รู้จักโยมเพราะอะไรเพราะถ้าไปเรียนทางโลกเอาก็ได้ด็อกเตอร์อาจจะอยู่มีคนรู้จักแค่สถาบันนึงแต่พอมาในพุทศาสนาคนทางประเทศก็มีสิทธิ์รู้จักเพราะให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของอาตมาธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักอาตมาเร็วขึ้นแล้วทุกคนอ๋ออาตมาไม่ใช่เป็นคนเด่นคนดังอะไรนะ ธรรมะของพระริเจ้าเป็นสิ่งที่เด่นเป็นสิ่งที่ดีแต่นําอาตมาเอาสิ่งที่ดีมาประกาศให้ญาติโยมโยมก็เลยรู้จักแต่ถ้าไม่เรียนธรรมะของพระริเจ้าไม่มีทางที่โยมจะรู้จักอาตมาได้นวนตอนนี้อยู่โคราชนวลบางทีก็นวะอยู่นวลข้างล่างนะอบายทั้ง4รออยู่นะเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยก็สารพัดนะกายทุจริตวจีทุจริตโมโหทุจริตเพราะยังไม่รู้จกบาบุลคุณโทษ แต่ตอนนี้รู้แล้วแต่รู้แล้วจะทำไหมถ้าถามกับตัวใครตัวมันนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ญาติโยมก็จะรู้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเดาได้อะไรให้ตั้งคำถามถามกับตัวเองแล้วทุกวันเนี่ยให้เขียนบา ร, รมีสิบทัสไปบนหัวนอน ว, นนวันนี้ทานบารมีเรา mm ทำห uh รือยังทำแล้วขีดเอาไว้ศีลบารมีเราทำหรือยังทำแล้วขีดเอาไว้เนคขม่าบารมีเาทำหอยางทำแล้วขีดเอาไว้สัจจะบารมีเราบำเพ็ญหรือยังบำเพ็ญแล้วขีดเอาไว้ขันติอธิษฐานบารมีบำเพ็ญหร Mond Mond ือยังบำเพ็ญแล้วขีดเอาไว้ปัญญาบารมีบำเพ็ญหรือยังบำเพ็ญแล้วขีดเอาไว้ขันติบารมีบำเพ็ญหรือยังบำเพ็ญแล้วขีดเอาไว้วิทยาบารมีบำเพ็ญหรือยังบำเพ็ญแล้วขีดเอาไว้เมตตาบารมีแผ่เมตตาหรือยังแผ่แล้วขีดเอาไว้กูเบขาบารมีวางใจเป็น จะเป็นแนวทางอ๋อเราเนี่ยมีดีกับเขาเหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเราได้เลยเร า, เ ร, า, เ, ราเริ่มได้ประโยชน์จากการนับถือพุทธศาสนาแล้วถ้าอย่งนั้นเราก็จะมองเออเราได้อะไรบ้างไปวัดเนี่ยแค่ให้ทานรักษาศีหลหรือหรือบางทีบางคนที่แบบอาจะห ย, ยาบนะโอ๊ยทำบุญทําไมทําบุญเสียเปล่าไหว้เจ้ายังได้กินไปทําบุญเสียเปล่าพากินหมดไหว้เจ้ายังเหลือได้กินบางคนคิดถึงขนาดนั้นนะเพราะไม่เข้าอกไม่เข้าใจ แต่พอเขาออเข้าใจอ๋อไอ้วายเจ้าเราก็อาจจะได้กินของเศษของเดนนะแต่ทําบุญเนี่ยเราจะได้กินตั้งแต่ชาตินี้จนถึงพระนิพาณ น, นะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาก็จะได้ประโยชนจากการนับถือพุทธศาสนาหรือเมื่อก่อนเราไม่นับถือพรทศาสนาเราเคยให้ทานไหมเคยให้แต่ทานที่เราให้เราเคยปาถนานิพาณไหมไม่เคยให้เพราะสงเคราะห์อยากจะให้สงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลแต่ไม่เคยรู้ว่าการให้เนี่ยเป็นการทําลายกิเลสการให้วัตถุทําลายโลภะ การให้อภัยทำลายโทสะการให้ปัญญาทำลายโมหะแค่การให้อย่างเดียวนะให้วัตถุทำลายความโลภเห็นแก่ตัวเอาไปเอาไปถ้าคนยิ่งบริจาคมากบริจาคมากไอ้ความโลภเห็นแก่ตัวที่จะเอาจะเอามาันจะหายหายหาไปพอมีความโลภเห็นแก่ตัวลดน้อยลงคนก็จะเรียกว่าเป็นบริวารกันทั้งหมดนะอันนี้ก็คือทานเนี่ยเป็นสิ่งผูกมัดจิตใจของคนเอาไว้ได้ นะแล้วยิ่งให้อภัยทานนะทุกคนเป็นมิตรหลดหมดเลยนะเมก่คนนู้นก็คิดไม่ดีคนนี้ก็คิดไม่ดีพอเราให้อภัยให้อภัยให้อภัยแผ่เมตตาให้อภัยได้ใครจะคิดล่วงเกินหรือกระทาเกินเราก็ตามเราให้อภัยได้เสมอแล้วก็แผ่เมตตาทุกคนจะเป็นมิตรหมดยิ่งถ้าให้ปัญญาอ๋อคนนี้ยังไม่มีกัญชาเราให้กัญชาคนนี้ยังไม่รู้เรื่องนี้เราให้ความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะให้ปัญญา 84% ดหมนสี่พัธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วนั่นแหละจะ ชนะการให้ทั้งปวงเราก็จะรู้อ๋อการให้ในพุทธศาสนามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เรามีปัญญาทาให้เรารู้จักบาปบุญคุณโชดประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพรา ะ, ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากนะก่อนที่ญาติโยมจะตั้งคำถามโยมคิดเอาไว้นะถามให้ตัวเองก่อนเราได้ประโยชน์อะไรบ้างที่เจ๋งๆเลยในชาติเนี้คิดไปก่อนคิดเสร็จแล้วต่อมาก็จะถามโยมคนนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการนับถือพุทธศาสนาหรือว่า อ๋อถ้าเกิดวันพุธใช่ไหมชื่อต้องอย่างนี้ตามหลักทํานายชื่อแล้วก็ไปหาพระเปลี่ยนชื่อให้แล้วก็ลดน้ำมนต์เอาแค่นี้หรือเอาแค่นี้หรือเปลี่ยนชื่อหรือหรือว่าออพอถึงวันตายเผื่อว่าจะมีวัดไว้สวดกับเขาบ้างจะได้ประโยชน์แค่นี้หรือเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการนับถือพุทธศาสนาลองตั้งคําถามให้กับตนเองแล้วก็หาคําตอบถ้าติดขัดเรื่องคําตอบมาถามตอตมาตอบได้จะหาคําตอบให้ทุกคําถามที่โยมสงสัย วันนี้อาตอมาถามเองตอบเองก่อนนะแล้วก็ให้ญาติโยมได้รับรู้ว่าโยมให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราได้อะไรแล้วจะถามปัญหาเกี่ยวกับอาตอมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรในการนับถือพระศาสนาสงสัยธรรมะหมวดไหนก็มีนะจะที่อธิบายขยายความให้หรือต้องการฟังพระสูตรสุดไหนก็มีที่จะอธิบายขยายความให้นะต้องการที่จะสวดมนต์นะก็สามารถที่จะสวดให้ได้นะต้องการสวดไข่ต้องการสวดแบบนันสต็อปตลอด24ชั่วโมงนะมี2ที่แล้วนะตอนนี้วันที่3ตลอด24 ที่ยุวพุทธส่วนวันที่4ที่วัดจากแดงตั้งแต่วันที่4ตอนเช้าถึงวันที่5ตอนเช้าตลอด24ชั่วโมงมีการสวดสาทยายพระไตรปิฎกตลอด24ชั่วโมงแบบนันสต็อปนะฮะไปสวดที่วัดก็ได้ที่ยุวพุธก็ได้ที่ยุวพุธวันที่สก็จะเจออาตมาที่วัดก็จะเจออาตมากลางคืนแต่กลางวันเนี่ยจะเจออาตมาที่สนามหลวงนะก็เจอหลายจุดนะนะเมื่อเช้าเนี่ยตะใครไปที่แถวอมรินทราซ่าก็เจออาตมาอยู่นะไปรับหนังสือนะรับบิณฑบาตนะหนังสือ ให้กับตํารวจตะเวนชายแดนนะก็ไปหลายจุดนะแต่ก็คือจะนําสวดนาสาธยายนำอะไรต่างๆน่นต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะให้ญาติโยมได้รับรู้ว่าพุทธศาสนามีประโยชน์อะไรบ้างแค่ลมหายใจเนี่ยหายใจไม่ทิ้งไม่คว้างหายใจเข้าภาวนาวพุทธหายใจออกภาวนา ว, วะโทได้บุญได้กุศลแล้วหายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหนอก็ได้บุญได้กุศลแล้วหายใจเข้าลมหายใจเป็นรูปผู้รู้ลมเป็นน้ำมีแต่รูป ก, กับน้ำก็ได้บุญได้กุศลแล้วแค่หายใจเข้าวันนี้จะไปไหน ไปฟังอภิปลายอยังไม่อภิปลายเลยท่านไปองค์เดียวแล้วอืแต่ว่าตั้งใจจะไปฟังแค่เนี้ยอมยังมาไม่ถึงเลยนะทุกย่างก้าวที่จะมาฟังเนี่ยยังมาไม่ถึงแต่เริ่มเดินมาแล้วหนึ่งย่างก้าวได้กุศลห้าสิบหชนิดยังมาไม่ถึงเลยนะจะไม่ได้ฟังเลยว่าไปไหนจะไปฟังเทศไปจะไปฟังบรรยายจะไปฟังอภิปลายจะไปฟังถามตอบจะตั้งใจตั้งใจยังมาไม่ถึงเลยพอดีไปเจอเพื่อนอไปเจอเพื่อนคุยคุยาอา จะเสียเวลาแล้วจะรีบมาขนาดยังมาไม่ถึงนะหนึ่งย่าง9ก้าหนึ่งย่างก้าที่เดินมาเนี่ยได้กุศล56ชนิดโยมกุศล56ชนิดได้อะไรบ้างมหากุศลละจิต8กุศลชาวนะ7 8 7ด6ทุกย่าง9ก้ายังไม่ได้ฟังเลยนะแค่ตั้งใจนะตั้งใจจะมานะทุกย่าง9ก้าเป็นบุญมีกุศลถ้าเผื่อมาไม่ถึงล่ะเดินมาเดินมาสะดุดและหกล้มจบชีวิตไปตรงนั้นละ่ะ จิตจะมานะจิตที่คิดจะมาเนี่ยยังไม่ได้มาฟังเลยเดินสะดุดหกล้มแล้วก็ไปเลยเนี่ยไปไหนไปสู่สุขติไปสู่สุขติจิตไปไหนจะไปฟังเทศจะไปฟังเทศจะได้ฟังยังยังแต่จิตมันเป็นปู่พราเจตนามาแล้วนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเดินไปวัดเดินไปวัดจะไปถึงยังไม่ได้ฟังเลยยังไม่ได้ฟังเทศเลยเดินไปผ่านทุ่งนาจิตจะไปฟังเทศจิตจะไปฟังเทศจิตมันไปถึงวัดแล้วเดินผ่านทุ่งนามาด้วยความรวดเร็วงูมันก็ออกจาก จอมปลวกแล้วก็ฉกตรงกลางทุ่งนานั่นแหละแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาตายแล้วไปไหนไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ยังไม่ได้ทําบุญเลยนะจิตคิดจะไปเนี่ยจิตคิดจะทำบุญจิตคิดจะทำบุญจิตจอดจอจอดกบับบกุศลแต่ได้ทำหรือยังยังแต่จิตนั้นเป็นกุศลแล้วด้วยกุศลที่นึกถึงพระัฒนาตายวันนี้เราจะได้ฟังเทศวันนี้เราจะได้ฟังธรรมเรา น, นี้วันนี้เราจะได้ไห้ทานยังไม่ได้ทําเลยเดินมาระหว่างทางเสียชีวิตก่อนไปไหนสุขติเป็นที่หวัง เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยนะแค่จิตคิดเนี่ยเรียกว่าจิตที่เกิดทางมาโนได้บุญได้กุศลมหาศาลถ้าได้ฟังล่ะได้บุญกุศลทางหูพอเข้ามานั่งในที่ประชุมปิดโทรศัพท์อย่างเรียบร้อยให้ความเคารพในที่ประชุมก็ได้ความเคารพอีกบุญจากความเคารพอ้าวเห็นผู้สูงอายุเราก็ยกมือไหว้ก็ได้บุญจากการยกมือไหว้อีกนะพอเห็นพระเอ้าไหว้พระเราได้บุญจากไหว้พระอีกนะพอมองเห็นธงมองเห็นพุทธรูปอ้ายกมือไหว้พุทธได้บุญจากการยกมือไหว้อีก ตลอดเส้นทางเนี่ยมีแต่บุญมีแต่กุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ทุกย่างก้าวทุกลมหายใจทุกการขยับขับเคลื่อนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้บุญได้กุศลไอ้ที่ย่างไปเป็นวาโยธาต์เป็นรูปธรรมรู้เป็ น, ปปปปนยงิงรูปเป็นนามก็ได้บุญได้กุศลเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกการขยับขับเคลื่อน น่าจะหายใจจะนอนล่ะกรณียมะตะสุรยจันตั์สร้างพามีจเมตต์สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนก็ได้บุญได้กุศลอีกหลับไปก็ไม่แน่หลับไปก็อาจจะฝันสวดมนต์ต่อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลเนี่ยมันเกิดทุกลมหายใจทุกการย่างก้าวทุกการขยับขับเคลื่อนน่าจะไปไหนก็เป็นบุญหมดเพราะบุญเนี่ยมันหล่อเลี้ยงจิตใจพอบุญมีบุญแล้วรู้สึกว่า ม, มันหายเหนื่อยนะทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอนึกถึงบุญนึกถึงกุศลมันหายเหนื่อยนี้ขึ้นมาทันที อันนี้คือญาติโยมจะเห็นว่าอ๋อบุญกุศลเนี่ยมันทําให้หายเหนื่อยจริงๆนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกอ่าหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดป่วยนะหมอห้ามทําอะไรนะแต่พอได้สอนหนังสือเนี่ยกระชุ่มกระชวยแต่พอให้อยู่เฉยๆเนี่ยทําท่าจะไปแล้วนะหลวงพ่อไม่ไหวสุขภาพดันเข้าโรงพยาบาลป่วยเข้าออกเข้าออกหมอบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องทําอะไรนะพักอยู่เฉยๆออกพักอยู่เฉยๆเนี่ยรอนอนรอความตาย เพระนั่นพอได้สอนหนังสือเท่านั้นแหละไอ้ร่างกายที่หมดสภาพแล้วเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนะเรียกว่าพระบุญกุศลมันเข้าโรคหายร่างกายแข็งแรงนะเพราะฉนั้นนหละโยมเนี่ยเวลาไหนก็ตามถ้าจิตมันอ่อนแอจิตมันเรียกว่าหมดสภาพแล้วหมดสภาพจิตแล้วกว็หมดกระจิตกระใจหมดอะไรตาอยากในชีวิตแล้วเนี่ยทำกุศลสักอย่างหนึ่งสวดมนต์ก็ได้แผ่เมตตก็ได้เดินจงกรมก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่นแหละหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยหายใจก็ออกภาวนาพระพุทธหายใจพูดหายใจออกภาวนาว่โทเอาแค่ลมหายใจรู้ฟังบวสวดไปสนทนาธรรมะไปนะชีวิตเนี่ยร่างกายของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเพรา ะ, ะจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาให้ประโยชน์อะไรบ้างให้ทั้งชีวิตไม่ใช่ให้อย่างเดียวนะโยมให้ทั้งชีวิตทั้งชีวิตชาตินี้ด้วยทั้งชีวิตชาติหน้าด้วยและให้ชีวิตที่ประเสริฐสูงสุดคือชีวิตความเป็นอริยะบุคคลให้ได้ด้วย ให้ความ พ, พ้นทุกข์ได้ด้วยแต่เราต้องเอาให้เป็นจะเอาให้เอาต้เอาให้เป็นทำไง ài? ต้องเรียนเทคนิค ก, การใชนะ้เครื่องมือในการเอาประโยชน์ตรงนี้นะก็ต้องเรียนรู้อ๋อเรียนรู้เรื่องศีลกําจัดกิเลสหยาบหยาบเรียนรู้เรื่องสมาธิกําจัดกิเลส ก, กลางกลางเรียนรู้เรื่องวิปัสสนากาจัดกิเลสอย่างละเอียดนั่นแหละเราก็จะได้ประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ญาติโยมสาธุชนตั้งคําถามกับตนเองก่อนนับถือพระศาสนาแล้วได้ประโยชน์อะไรตั้งคําถามก่อนตั้งคําถามเสร็จ จากนี้ไปอาตามาก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมถามอาตามาต่อว่าโยมยังสงสัยอะไรอีกจากการที่นับถือพระศาสนาขอเรียนเชิญเชิญพร พ อ, พอดีคําถามอยู่ตรงหน้ามีเยอะนะเจ้าคะ่ะไม่ทราบว่าจะให้คัดเลือกเฉพาะคําถามที่เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อวันนี้ด้วยเลยไหมเจ้าค่ะหรือว่าวให้อ่านทุกคําถามเลยเจ้าค่ะเอาเท่าที่มีเวลาอย่รวมๆคาถามแล้วก็ดูคําถามที่น่าสนใจที่สุดก่อนเจ้าค่ะน่าสนใจทุกคําถามแหละสนใหญ่ก็น่าสนใจนะคะเอาคำถามแรกนะคะ พ, พระโพธิสตร์สวยประชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญบารมีเด่นสุด ไม่ใช่อุเบกขาบารมีหรือคะไม่ใช่อุเบกขาบารมีคําถามไม่ชัดเจนเยวถามใหม่ด้วยเขาเขาเจว่าคนเขียนอาจจะตกไปคำหนึ่งนะคะคนเขียนเขียนว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญบารมีเด่นสุดอันนี้คาดเดา ว, ว่าน่าจะตกคำว่าทานบารมีมั้งคะไม่ใช่อุเบกขาบารมีหรือคะอันนี้คือคําถามเจ้าคะ่ะในชาติสุดท้ายเนี่ย พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นเวสสันดรโดยมากคนจะรู้จักในการบําเพ็ญทานบารมีบารมีในชาติสุดท้ายเนี่ยครบทั้งสิบทานบารมีศีลบารมีเนคขามบารมีนะเนคขามบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีกัณฑบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีครบทั้ง10บในชาติสุดท้ายเนี่ยทานบารมีหนึ่งบริจาควัตถุภายนอกออกทั้งหมดทานบารมีเด่นสุดเด่นสุดนทานบารมีแต่ อุเบขาบารมีเนี่ยเป็นอุเบขาปรมาถบารมีแต่กลับไม่เด่นนะอุเบขาบารมีในชาติสุดท้ายที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรเนี่ยเป็นอุเบขาปรมาถบารมีมันเป็นยังไงอุเบขาปรมาถบารมีกับทานบารมีทานบารมีเนี่ยบารมีจะมีสมขั้นบารมีอุปบารมีปรมาถบารมี ถ้าบริจาควัตถุภายนอกเอาไปทั้งหมดเป็นทานบารมีบริจาคอวัยวะร่างกายเป็นทานอุปบารมีบริจาคชีวิตเป็นทานปรมาถาบารมีอันนี้คือถ้าเกี่ยวกับวัตถุภายนอกทําไปเป็นบารมีถ้าเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอุปบารมีถ้าเกี่ยวกับชีวิตเป็นปรมาถบารมีในชาติที่เป็นเวศสันดรเพราะเพศสันดรนี่บริจาควัตถุภายนอกทั้งหมดเกลี้ยงสิ่งแรกเลย หลังจากนั้นบริจาคสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นก็คือบุตรก็ดีภรรยาก็ดีนะเรียกว่าอังคัตบริจาคบริจาคสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นมหาบริจาคหประการก็ได้ทําเป็นอุปปารมีก็เพราะฉะนั้นชาติที่เป็นเวสสันดรเนี่ยทานบารมีทานอุปปรมีเด่นชัดแต่ทานปรมาถบารมีไม่เด่นชัดทานปรมาถะบารมีไปเด่นชัดในชาติที่เป็นกระต่ายบัณฑิตพญากระต่ายแต่ในชาติที่เป็นเวสสันดรนี่มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นปรมาถบารมีคืออุเบขาปรมาถบารมี แต่มีช่วงขณะนิดเดียวช่วงขณะไหนตอนที่ชูชกฉุดกระชากลากจูงกันหาชาลีแล้วก็เคียนตีไปด้วยตอนนั้นเนี่ยถ้าพระองค์ไม่มีอุเบกขาบรมีพักขันที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนแรกก็จับพระขันเอ้ยเราอุตสาหให้ลูกไปแล้วยังมาตีลูกของเราอีกหรือก็คือตอนแรกเผลอไปจับพระขันก็หมายคก็ว่าอุตสาหให้ลูกไปแล้วเนี่ยยังตีลูกของเราอีกก็จับพระขันก็หมายก็ว่าจะตัดค <c oughs> อชูชกเลยพอจับไปปุ๊บสะดุ้งเลย โอ้เราบริจาคไปแล้วเนี่ยทำไมเราต้องมาห่วงแหนเรามายึดติด ต, ตรงนี้อุเบกขาบารมีวางใจเป็นกลางในสัตว์และสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตของลูกลูๆนาะที่ถูกชูชกตีซะจนดูแลมันดูไม่ได้ความคือตีลูกเนี่ยมันมันเจ็บมาเจ็บที่พ่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอุเบกขาบารมีวันนั้นชูชกก็ตายอุเบกขาบารมีเนี่ยทำให้พระองค์หยุด การที่จะคือจับพระขันแล้วก็หยุดทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอุเบขาบารมีในชาตินั้นเป็นอุเบขาปรมัตถบรมีแต่มีอยู่ช่วงเวลานิดหนึ่งคนจะไม่รู้จักแต่ในชาตินั้นเนี่ยบรมีครบทั้งสิบเลยนะไม่ใช่บรมีเดียวครบทั้ง10แต่เด่นที่สุดคือทานบารมีเป็นทานอุปปาทานบรมีด้วยทานอุปบารมีด้วยเด่นส่วนปรมัตถบรมีล่ะนอกจากศึกษาลึกๆก็จะรู้ว่าเป็นปรมัตถอุเบขาบรมีเป็นอุเบขาบรมีที่เป็นปรมัตถบรมี นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ขณะช่วงระยะเวลาสั้นๆพระนบารมีครบทั้ง10บเลยต้องเข้าใจแบบนี้นะไม่ใช่บารมีใดบารมีนึงแต่ที่เด่นยกมาเป็นตัวอย่างของทานบารมีเพราะทานบารมีทำมากตลอดระยะเวลานะเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญนะ่แต่ตัวที่เป็นบารมีเกรดที่3สูงสุดคือประมาทาบารมีเป็นอุเบขาประมาทาบารมีแต่ระยะเวลาสั้นนิดเดียวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นก็คือบารมีได้เป็นครบทั้งสิบขอเจริญพร คำถามต่อไปจะรวมสองคำถามน ะ, นะเจ้าค่ะเพราะว่าคล้ายๆกันคะ่ะเพรามีมีผู้ถามว่าทําบุญอย่างไรถึงได้บุญมากแล้วก็การทําบุญในวันสําคัญเนี่ยมีผู้ไปทําบุญมากหากไปทําบุญในวันธรรมดาบ้างจะได้บุญหรือไม่อย่างไร <c oughs> ขออนุญาตรวมคําถามที่สองนะเจ้าค่ะเพราะคล้ายกันคือการใส่บาตรกับการเรียนพระอภิธรรมสองอย่างนี้อย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะ่ะเจนพรการทําบุญอย่างไรได้บุญมาก 1. ต้องเชื่อกรรมและผลน้องกรรม 2. เข้าใจคำว่าบุญคืออะไร 3. เลือกเนื้อหนามบุญเป็นนะสทำบุญเป็นสิ่งแรกเลยเนี่ยเชื่อกรมและผลน้องกรรมก็เรียกว่ากรรมมัศกตาปัญญาเกิดหรือยังถ้าเกิดแล้วการทำบุญนั้นเป็นมหากุสัญญาณสารปยุต์ขั้นที่สองนะของที่เราให้หามาจะถวายเนี่ยได้มาด้วยความบริสุทธิ์หมถ้าได้ความบริสุทธิ์บุญก็เพิ่มขึ้นไี้แล้ว 3. ผู้ที่รับทานเนี่ยมีศีลไหมถ้ามีศีลบริสุทธิ์หรือจะเป็นพระอริยะเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกแล้ว 4. วิธีการให้ของเราเนี่ยให้ขาดไหมสุดทิศนางวัตเตเมทานังเนี่ยเราตัดขาดไหมแล้วเราให้ไปเนี่ยเป็นการทำลายโลภะคือความโลภไหม แล้วเราให้เนี่ยปาถนาพระนิพพานไหมถ้าให้บุญก็สูงขึ้นอีกแล้วนะก็คือบุญสูงขึ้นตามดับหรือเอาบุญในขนาดนั้นเนี่ยในขณะที่ถวายทานผู้ให้ก็ไม่เที่ยงผู้รับทานก็ไม่เที่ยงทานวัตถุก็ไม่เที่ยงดึงการให้ทานก็สู่ไตลักษณ์ได้เลยนั่นแหละได้บุญมากที่สุดคือมหากุศ่ธรรมดานีได้อยู่แล้วเป็นมหาการุส่วาณสำปรยุทธ์ที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ใส่วิปัสนาเข้าไปในทุกคําข้าวอันนี้คือทุกอย่างก้าวโอ้เราเอาของมาทําบุญเนี่ย หนึทำบุญแบบสงเคราะห์ทำบุญแบบอนุเคราะห์ทำบุญแบบบูชาต่อแทนบุญคุณทำบุญแบบบูชาคุณทำบุญเพื่อละกิเลสเราทำบุญแบบไหนถ้าเราทำเป็นโอ้ยพระท่านไม่ทำงานหากินเราก็ต้องไปสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านนั่นแหละอา้าวแบบนี้ก็มีบอกเออนะก็พระท่านมีศีลเนาะเราไม่มีศีลเราก็บูชาคุณคือศีลของท่านก็ทำบุญแบบนี้แต่บางคนบอกโอ้ยอันนั้นก็ใช่นะแต่ที่สูงสุดเน่ยเราต้องทำบุญโดยการสละกิเลสละกิเลสตรงไหน ทุกครั้งที่ให้ทานทําลายโลภะทุกครั้งที่รักษาศีลทำลายโทสะทุกครั้งที่ฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาทําลายโมหะเพราะนั้นเนี่ยการให้ทานรักษาศีลการทําบุญเนี่ยเป็นการทําลายกิเลส ด, ด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นด้วยเรียกว่าได้ทั้งสองอย่างทั้งโลกิยาสมบัติและโลกุตระสมบัติได้สมบัติทั้ง2 อ, อย่างนั่นแหละคือทําบุญแล้วได้บุญมากที่สุดแต่ถ้าหวังโลกิยาสมบัติอย่างเดียวคือต้องการให้เราเวียนว่ายตายเกิดนะฮะเพราะนั้นคือโลกุตตระสมบัติเป็นเป้าหมมาาาาาายยยยสสสูงงงงุดดโลกิะัตเเป็นนนีีททผ่่ถ้้้ํอไ นะเลือกนาบุญก็เป็นแล้วก็ทําใจก็เป็นใจคือโยนิโสมนาสิกานโยนิโสมนสิกานเป็นด้วยตัวโยนิโสมนสิการเป็นตัวแปรแปรยังไงบางครั้งไปวัดวันอุโบสถเนี่ยคนมาเยอะแล้วเราไม่เอาไปดีกว่านะเราจะเอาไปวันอื่นคนที่มาวันที่คนมาน้อยเช่นวันธรรมดาคนไม่ค่อยไปเลยเราทําบุญแบบนี้ต้องการอะไรต้องการอนุเคราะห์ให้พระได้ฉันนะก็ได้บุญเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องพระตาหารแต่เราบอกเออ วันพระวันอุโบสถหรือวันสาคัญเราไปนะไอ้ของฉันมันก็เหลือเฟือก็จริงอยู่แต่เราได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้รับศีลได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้เจริญภาวนาเราเนี่ยไม่ใช่แค่ไปให้พ้าฉันนะนะเราได้ทานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยก็ไม่แน่มีศีลได้บรรลุบรรลุยังไงในสมัยก่อนเนี่ยมีเด็กน้อยคนหนึ่งอายุเ็ดขวบ ตามแม่ไปวัดวันแรกแม่เนี่ยตั้งแต่ยังไม่แต่งงานอายุ16ก็ไปทบุญที่วัดทุกวันทุกวันจนกระทั่งแต่งงานแล้วมีลูกชายอายุเจดขวบอายลูกชายก็โตแล้วเอ้าเรียกลูกชายลูกลูกวันนี้ไปวัดกับแม่ยิ้มเป็นตไปวัดอลูกก็ไปลูกก็วิ่งแตะเๆะตามแม่ไปพอถึงวัดแม่ก็ถวายทาทานเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มานั่งรับศีลฟังเทศฟังธรรมพอรับศีลถ้าจบไม่นานเด็กน้อยอายุเจดขวบได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่แม่ยังไม่รู้ นะขวดน้ําถวายเสร็จแล้วก็ขวดน้ํารับพรเสร็จเอากลับบ้านลูกๆก ล, กลกกับบ้านเสือลูกชายบอกว่าไม่กลับแม่บอกว่าวันหลังเดี๋ยวมาใหม่ก็ได้ลูกเดี๋ยวมาใหม่วันหลังลูกบอกไม่กลับทํำยังไงก็ไม่กลับอา้าวทาไมไม่กลับชวนลูกกลับบ้านยังไงลูกก็ไม่กลับห ม, หมดหมดพ้นทางก็เลยไปฟ้องพระองค์นะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญลูกชายของโยมเนี่ยมาวัดวันแรกแล้วไม่ยอมกลับจะทํำยังไงดี พระองค์ตัดว่าโยมลูกชายของโยมไม่กลับอีกแล้วอย่างท้าวรสะดุ้งเลยลูกชายไม่กลับอย่างท้าววรลูกชายโยมเป็นอะไรบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วโยมบรรลุตอนไหนตอนที่สมาทานศี่ห้าจบอ้าวแค่สมาทานสี่ห้าจบทำไมได้บรรลุชาติก่อนเด็กคนนี้เป็นคนยากคนจนเห็นนายทําบุญกับพระเจ้ามีของทำบุญเยอะเลยแต่เขาเป็นคนใช้ไม่มีเงินจะทําทบุญ นะไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารมาทำบุญก็พอพระฉันเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปถามพระท่านผมเป็นคนใช้ไม่มีเงินจะทําบุญเหมือนกับนายเนี่ยท่านช่วยแนะนําวิธีทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินให้ผมได้ไหมนะพระพรธเจ้าก็ตอบได้โยมการทําบุญโดยไม่ต้องใช้เงินนะโยมสมาทานศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็เอาวิปัสนาไปด้วยทั้งศีลทั้งวิปัสนาเนี่ยโยมไม่ต้องใช้เงินเลยไมย้แต่อย่างเดียวตั้งแต่ชาติตั้งแต่วันที่ได้รับคําแนะนําเขาก็รักษาศีลตลอดชีวิตแล้วก็จะเดินวิปัสนาไปด้วยทํางานเป็นคนใช้อยู่ในบ้านนั่น จนกระทั่งสิ้นชีวิตไปเกิดเป็นเทวดาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามแม่ไปวัดเนี่ยวันแรกเลยแค่รับศีลห้าทำไมได้บรรลุชาติก่อนมีศีลด้วยวิปัสนามาด้วยทั้งศีลและวิปัสนาของเก่าในอดีตเนี่ยเอาตลอดชีวิตเลยพอชาตินี้พอได้ยินศีลหที่ตนเองเคยสมาทานของเก่ามันผุดมาหมดผุดมาหมดทั้งศีลและวิปัสนาที่เคยนะเคยเจริญมาเนี่ยพอฟังพอรับศีลห้าจากผู้ได้เจ้าจบไม่นาน พิจารณาถึงศีลนะแล้วก็ย้อนศีลในอดีตของตนแล้วก็ปฏิวิปั ส, สนาในอดีตของเก่ า, ข อ, กาของใหม่มาชนกันปุ๊บหวังแล้วได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์เพราะฉะนั้นพรนะพุทธองค์บอกลูกของโยมไม่กลับอย่างทาวลเพราะบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วแม่ก็เลยเข้าใจอา้าถ้างั้นก็ให้อยู่วัดนะบวชเลยก็ชื่อของท่านปัญจสมาธานิยเถระ เป็นเถระนะแต่ไม่ใช่บิ๊กเถระเป็นสมอเถระเถระองค์เล็กๆอายุเจ็ดขวบนะคำว่าเถระเนี่ยคือบรรลุเป็นพระาอารหันต์แล้วจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเรียกว่าเถระถ้าเถระทางวินัยเนี่ยต้องพรรษาสิบนะแต่เถระในด้านพระอภิธรรมยังไม่มีพรรษาเลยบรรลุเป็นพระาอารหันต์ก็เรียกว่าเถระเพราะเถระคํานี้แปลว่าผู้มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะนั้นได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ก็ให้บวชให้บวชก็อยู่วัดต่อ แค่รับศี่ห้านะเพราะฉะนั้นเนะี่ยโยมวันสําคัญเนี่ยไปเถิดอย่าอาจจะได้ฟังเทศประโยคใดประโยคหนึ่งที่มันไปสกิดแล้วเราโอ้มาทั้งชีวิตเนี่ยวันนี้พึ่งมาได้ฟังธรรมที่มันกระจ่างชัดพอกระจ่างชัดแล้วเนี่ยวันอื่นๆแล้วอาจจะไปพระก็ได้ฉันก็ถูกแล้วก็สงเคราะห์พระอนุเคราะห์พระแต่วันพิเศ ษ, พ, เศษพิเศษพระก็จะมีคัดองค์ที่เทศเก่งๆมาเทศให้เพราะฉนั้นประโยคใดประโยคหนึ่งอาจจะฟังแล้วได้บรลลุ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลือกทำบุญที่ได้บุญมากที่สุดเถอะแต่ถ้ามีทั้งแบบสงเคราะห์พระเออไปวันธรรมดาด้วยกว็ดนะีอยากจะได้ตนเองได้บุญมากๆก็ไ ว, ว้วันพิเศษด้วยกว็ดนะีไปทุกวันได้ยิ่งดีเจริญพอรอนุโมทนาค่าคถามต่อไปน่าจะสัมผั์กับคำถามตะกี้เลยนะเจ้าคะ่ะเอเอือมีคำถามว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนทางให้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นความทุกข์ซึ่งคือมรรคด เมื่อนํามักแปมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันของสาธุชนพบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจถึงการนํามักแปมาปฏิบัติพอความเมตตาจากาพระคุณเจ้าช่วยอธิบายยกตัวอย่างการนํามักแปมาใช้ในชีวิตประจําวันให้จแจ่มแจ้งเพื่อความผลทุกเจริญพรมักแปเราเริ่มจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอยู่ยอดนู้น แต่เรามาพูดก่อนของลึกที่สุดละเอียดที่สุดแต่เรามาพูดก่อนก็เลยเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ของที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องลงมือปฏิบัติที่สัมมาวจาสัมมากัมมันตะสมาชีวะสัมมาวจ a สามสัมมากัมมันตะสีสมาชีวะห้าสอย่างเนี่ยลงมือตัวนี้ก่อนแต่การที่จะมาลงมือสัมมาวจาสัมมากัมมันตะสมาชีวะเนี่ยสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งต้องเกิดก่อนสัมมาทิฏฐิคือฟังสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูก ความเห็นถูกจะเกิดขึ้นต้องอาศัยหนึ่งปรตโขโสภาเสียงเทศเสียงบรรยายเสียงสอนนะก็คือการฟังนั่นแหละพอฟังเสร็จแล้วเอาเก็บมาคิดพิจารณาที่เรียกว่าโยนิโสมณิสิการสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกขั้นที่หนึ่งเกิดพอเห็นถูกขั้นที่หนึ่งก็คือรู้ว่าอ๋อต้องมีศีลสมาธิปัญญานี่แหละเขาเรียกว่ามัคมีองแปรหรือเรียกว่าไตสิกขาต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนแต่เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกมีสาขั้นขั้นที่หนึ่ง มีปัญญาเชื่อกำและผลต้องกรรมรู้ว่านี่เป็นบาปนะนี่เป็นกุศลนี่เป็นบุญนะนี่เป็นกุศลนะมีเป็นอกุศลนะยู่แยกอย่างนี้เป็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิขั้นที่2มีปัญญาเข้าใจเรื่อง1ิบอย่างการให้ทานก็มีผลการบูชาบวงสรวงมีผลการทำดีทำชอบในบิดาบาราบิสนโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณรามที่ว่าพุทธปริบดีแล้วปฏิบัติชอบและสอนบุญในรู้ตามได้มีจริงสัตเป็นโอปาิกามีจริงในลักษณะนี้เป็นต้นความเห็นถูกสิบอย่างเป็นสั สัมมาทิฏฐิที่อยู่ในองค์มรรคสูงสุดก็คือความเห็นถูกในเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้งสี่คือเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นกองแห่งทุกข์เห็นว่าตัณหาคือต้อตอตอนตอของทุกข์เห็นว่านิพพานดับทุกข์ได้เห็นว่ามรรคมีองค์แปดหรือศีลส ม, มาธิปัญญานั่นแหละคือหนทางให้ก็ถึงความดับทุกข์ความเห็นอย่างนี้เป็นส ม, มาธิขั้นที่สามสูงสุดเพราะนั้นสัมมาธิฏอาว้ตอนแรกเลยเพื่ออะไรเพื่อให้คนเกิดความเข้าใจ แต่เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นที่หนึ่งก่อนส่วนส ม, มาธิฏขั้นสูงรูดปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเนี่ยก็จะเข้าใจในภายหลังต้องมีการสดับตับฟังก่อนเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแสดงตามเทศนักธรรมลำดับแห่งเทศนานะพอฟังเข้าใจแล้วต่อไปปฏิบัติกรรมะลำดับแห่งการปฏิบัติ ล, ล่ะทำยังไงต้องรักษาศีลก่อนรักษาศีลคืออะไรสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือปิดปากก่อนอย่าพูดเท็จนะอย่าพูดส่อเสียดจะพูดคําหยาบจะพูดเพ้อเจอ้อสี่อย่างนี้ได้แล้วสัมมาวาจาได้แล้ว แล้วต่อไปล่ะสัมมากรรมตะอยากฆ่าสัตว์ยาลัคับอย่าประพฤติผิดในการมสามข้อนี้ได้สัมมากรรมตาได้แล้วสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบประกอบอาชีพชอบมี2อย่างประกอบอาชีพชอบแบบธรรมดาสามัญกับประกอบอาชีพชอบในมักมีองค์8ประกอบอาชีพชอบในมักมีองค์8เพื่อหลุดพ้นหนึ่งต้องเว้นจากค้าขายมนุษย์สองต้องเว้นจากค้าขายอาวุธ3ต้องเว้นจากค้าขายยาพิษ4ต้องเว้นจากค้าขายน้ำเมา5ต้องเว้นจากค้าขายสัตว์มีชีวิต เือเอาไปฆ่าถ้าอย่างนี้นะก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะผ่านถ้า3อย่างเนี่ยสัมมาวจจะสัมมากรรมดัศมาอาชีวะผ่านศีลนะมักมีองค์8กลุ่มของศีลผ่านแล้วในขณะที่ศีลผ่านเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วฐานของเรือเราสร้างเรียบร้อยแล้วสัมมาวจมัตสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรสัมมาวิมแปลความเพียรถูกสัมมาสติระลึกถูกสัมมาสมาธิจิตตะมันถูกความเพียรถูกคือความเพียรอย่างไร ขั้นพื้นฐานเลยก็คือความเพียรในการทำมาหากินจนมีชีวิตยอยู่ได้โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินผู้อื่นและความเพียรขั้นต่อมาเพียรเอาความชั่วออกจากใจเพียรไม่ให้ความชั่วกลับมาเกิดใหม่แล้วก็เพียรให้ความดีเกิกเเดขึ้นแล้วก็เพียรให้ความดีที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญอย่างต่อเนื่องเป็นสัมมาวายามะความเพียรขั้นที่นะ่ะเป็นสัมมาวายามะเรียกว่าความเพียรชุดที่หนึ่งสัมมาสติระลึกชอบเอาสติไประลึกอะไรสิ่งแรกเลยเอาสติเข้าไประลึกในอนุสติทั้ง10 สีลาพุทธานุติรและลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุติรและลึกถึงความสังข า, านุติรและลึกถึงคุณของพระสงฆ์นาสีล า, านุติรและลึกถึงศีลจารคานุติรและลึกถึงการบริจาคเป็นต้นจนถึงอนุสติข้อสุดท้ายข้อที่สิอุปสมานุาสติและหลังจากนั้นเอาสติเข้าไปตั้งที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเรียกว่าอสติเข้าไปตั้งไว้ในติประฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเป็นสัมมาสติและลึกทูกและหลังจากนั้นสัมมาสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิ ใช้สมถะกรรมฐาน40วิธีวิธีใดวิธีหนึ่งกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้จนกระทั่งได้ฌานทั้ง4นั่นแหละเรียกว่าสัมมาสมาธิน่ะถ้าสมอย่างนี้สัมมาวายามาสมาติสัมมาสมาธิมีพร้อมเรียกว่าสมาธิขันกองแห่งสมาธิโครงสร้างของเรือสร้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็พอเรือเนี่ยน่ะฐานเรือคือศีลโครงสร้างของเรือคือสมาธิแล้วก็ใส่เครื่องยนต์กลไกเข้าไปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะคือเครื่องยนต์กลไกของเรือ สัมมาทิฏฐิที่เราจะลงมือปฏิบัติก็ในขั้นสูงสุดนะ1ต้องเห็นว่าขันหนึ่งต้องรู้จักว่าตัวเราเป็นแค่รูปนามขันห้าต้องเห็นว่ารูปนามขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเห็นขันห้าว่าเป็นทุกข์นั่นเองสองต้องเห็นว่าตัณหานี่แหละคือต้นตอของทุกข์ตัณหาไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่ลิ้นเกิดที่กายเกิดที่ใจจะดับยังไงละ่ะในขณะที่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามอันนี้ตัณหาไม่่เเกิดแแล้้วตถามองหันไเหห็นนเพื่อัาไปกินหมดแล้วส่วนตััหานนุสยะ <Lah> ในขณะที่ได้ยินก็ได้เช่นเดียวกันเสียงที่ได้ยินเป็นรูปพู้ได้ยินเป็นเป็นนาม้าลักษณะอย่างนี้ตัณหาก็ไม่เอาไปกินแต่ถ้าได้ยินไหมได้ยินได้ยินเสียงเขานินทาเราะโทรสะเอาไปกินแล้วตัณหาเอาไปกินแล้วได้ยินไหมได้ยินเสียงเขาชมเราเอาตัณหาเอาไปกินแล้วถ้าลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าตัณหามาอาศัยตาเกิดอาศัยหูเกิดอาศัยจมูกเกิดอาศัยลิ้นเกิดอาศัยกายเกิดอาศัยใจเกิดเอาสติเข้าไประวังสติกับสัมปชัญญะสองอย่าง ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าการเจริญวิปัสนาเรียก็รู้ว่าตัณหามันเกิดที่ไหนจะดับที่ไหนนะหนึ่งรู้ทุกสองรู้ว่าตัณหามันเกิดตรงไหนดับตรงไหนสรู้ว่านิโรดนิพพานคืออะไรนิพพานตอนนี้เนี่ยชาวพุทธสงสัยสับสนสับสนยังไงล่ะนิพพานเนี่ยมีทางโลกมีนิพพานอยู่หอย่างหนึ่งกามกุลอารมณ์ทั้งห้านับเป็นนิพพานขั้นที่หนึ่งสองฌานทั้งสี่ปฐมฌานทุเยฌานติยฌานจตุฌาน ปฐมฌานทุเรียฌานติีฌานจุลฌานเพราะนั้นเนี่ยกามาคุณอารมณ์ทั้งหนับเป็นนิพพานขั้นที่หนึ่งฌานทั้งสนับเป็นนิพพานขั้นที่สองเพราะนั้นนิพพานหอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมนิพพานพระพุทธเจ้าประดิเฐ์เอาไว้ในพมฌารสูตรอย่าเอานะนิพพานแบบนี้ต้องเอานิพพานแบบพุทธถ้าเร า, เราไม่รู้จักนิพพานใครบอกว่านิพพานเออก็เอานะแล้วปัจจุบันบางทีหลายท่านบอกเออพุทธกับพรามเหมือนกันเหมือนกั น, น, กนตรงไหน พร า, มมาหมณ์ก็มีเป้าหมายคือนิพพานพุทธก็มีเป้าหมายคือนิพพานเอ้าแล้วมันต่างกันตรงไหนเออไม่ต่างกันใช่เขาก็มีประวม า, า, าินิพพานก็แสดงว่านิพพานเดี๋ยวไปถึงนิพพานแล้วก็เจอกันนิพพานที่พุทธศาสนาพูดถึงไม่ใช่นิพาน พ, านานพานที่พราหมณ์กล่าวถึงนิพพานที่พราหมณ์กล่าวถึงหมายถึงฌานทั้งสแล้วการไปเกิดเป็นพรหมนั่นคือนิพพานแบบของพราหมณ์นิพพานแบบของพุทธต้องพ้นจากฌานพ้นจากพรหมไปไหนล่ะพ้นจากโลกทั้งสาม ก็คือสัพปาริเศสนิพานดับกิเลสมีขันห้าอนุปาริเศสนิพานดับกิเลสดับขันห้าด้วยนิพานพุทธจะมี3อย่างหนึ่งกิเลสนิพานสองขันธนิพานสามธาตุนิพานมีนิพานอยู่3นิพานนะลักษณะของนิพานล่ะสันติลักขณังสงบจากความเล่าร้อนของกิเลสทั้งปวงต้องรู้จักนิพานด้วย นิพพานแบบชาวบ้านในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะเลยต้องรู้จักนิพพานถ้าไม่รู้จักนิพพานเราจะตั้งเป้าหมายสูงสุดไม่ถูกนะต้องรู้จักนิพพานแล้วก็รู้จักขนทางที่ไปถึงนิพพานทำยังไงล่ะต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่นะไปแล้วนั่นแหละนะอันนี้คือเรียกว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิสมา ท, มาทิขั้นที่สี่หนึ่งรู้จักทุกสองรู้จักสมุทยัยสรู้จักนิโรธกุณิพานสรู้จักมรรคถ้ารู้จักนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นที่สิานนกก็็ได้ีคือเรียกว่าาสมิิิาานแล้วสสััมงคปะดถูกคคือิดยงงไ คิดถูกคือคิดเอาจิตออกห่างจากกามคุณอารมณ์คิดในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดในการไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่นอันนั้นคือการคิดถูกเรียกว่ากุศลวิตก3ประการถ้ากุศลวนวิตกสาประการเกิดขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิได้สัมมาสังกัปปะได้เป็นวิปัสนามัคมีองค์8สมถะมี6วิปัสนามี2สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาที่เหลืออีก6เป็นส ม, มถะก็แยกส ม, มถาวิปัสนาในมัคมีองแปดแยกได้ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามัคมีองค์8เอามาใช้้ในนชีีวิิตตตจรงงคือััแ่่ศท ขั้นที่สสมาธิขั้นที่สมปัญญาศีลเหมือนฐานของเรือสมาธิเหมือนโครงสร้างของเรือปัญญาเหมือนเครื่องยนต์กลไกของเรือถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราสร้างเรือลำนี้สําเร็จแล้วเรือลำนี้มีชื่อว่าอัดถังคิกะนาวาเรือคือมักมีองค์8ถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญาคนนั้นสร้างเรือเสร็จแล้วขึ้นไปนั่งบนเรือด้วยกําลังไปไหนกําลังเดินทางสายกลางไปไหนเล่นไปสู่ฝั่งฟังอะไรฝั่งพระนิพพาน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเราสร้างเรือให้กับตัวเราเองแล้วเราขึ้นไปนั่งด้วยลงมือปฏิบัติแล้วเราก็จะไปถึงฝั่งพระ น, นิพพานโดยโดยเร็วพันเพะในส่วนตรงนี้เราก็เห็นว่ามักมีองค์แเอามาใช้กับชีวิตจริงได้ไหมได้ตลอดเวลาแต่ขอให้ฟังให้เข้าใจที่เรียวกว่าสุตตามยปัญญาคือสร้างสัมมาทิฏฐิสขั้นให้เกิดก่อนแล้วก็จะได้ไประโยชน์อย่างสูงสุดขอจเจริญพรก็ทั้งสขั้นนะเจ้าคะ่ะตอนนี้ขอถอยลงมาขั้นขั้น ที่หนึ่งพื้นฐานนะคะก็มีคําถามถามว่าการถวายข้าวพระพุทธถ้าไม่เคยทําเลยควรจะทําหรือไม่ในวงเล็บนะคะปกติจะถวายแต่น้ํากับดอกไม้ข้อที่สองการถวายน้ําพระพุทธในวงเล็บนะัในบ้านควรจะถวายทุกวันหรือเฉพาะวันพระก็ได้ข้อที่สามการทําบุญเราแบ่งส่วนบุญให้ลูกกับสา ม, มีเขาจะได้รับบุญหรือไม่เจ้าคะ่ะหนึ่งทาบุญเป็นไหม ถวายข้าวพระพุทธพระพุทธเจ้าจะได้ฉันไหมถวายข้าวพระพุทธนะยังไม่เคยถวายถ้าวันไหนเริ่มถวายวันนั้นเริ่มได้บุญถวายทุกวันได้บุญทุกวันถวายทุกวันได้บุญทุกวันถวายน้ําก็ได้อานิสงค์ของน้ำสิบประการถวายข้าวก็ได้อานิสงค์ของข้าวห้าประการนะโยมถวายน้ําอานิสงค์น้ํำได้สิประการธารมาก็เลยฉันไะด้น้ํำเดียวนะ <c oughs> จริงๆแล้วไอ้สมของข้าวหาประการไอ้สมของน้ำหประการเนี่ยถวายทุกวันได้ทุกวันนะฮะไม่จําเป็นต้องรอวันพระทําทุกวันได้ทุกวันทําบ่อยเป็นอาจินกรรมได้บุญมากได้บุญบ่อยแต่ต้องทําให้ถูกนะทำให้ถูกก็คือตั้งจิตพระพุทธเจ้าไม่ฉันและเอาไปถวายทําไมน้อมจิตไปแค่เนี้ยเราก็ได้บุญได้กุศลแต่จะทําทให้มันเวอร์ทําให้เวอร์อุ้ยเราจะขึ้นไปถวายข้าวพระพุทธบนสวรรค์ไม่มีนะ ถวายข้าวพุทธถวายที่เมืองมนุษย์นี่แหละถวายที่บ้านเรานั่นแหละไม่ต้องไปถวายบนสวรรค์ถวายข้าวพระพุทธในเมืองมนุษย์นะฮะพระเจ้าบนสวรรค์ไม่มีเออถ้าจะไปบนพระธาตุก็ได้นะพระธาตุนั้นพระธาตุนี้ถวายพระข้าวพุทธที่พระธาตุได้ที่พุทธลูบได้นะฮะแต่ไม่ต้องไปถวายที่อื่นถวายที่บ้านเราได้ถวายวันไหนได้บุญวันนั้นถวายมากได้บุญมากถวายน้อยได้บุญน้อยถวายประกอบได้ปัญญาได้บุญสูงสุดแต่ถ้าถวายน้ำนายโยมถวายทุกวันทุกวันทุกวนยําา้ ทำไมต้องจะเป็นข้าวเนี่ยบางทีเราอดข้าวเจ็ดวันเราอยู่ได้อดน้ําวันเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแหะอานิสงส์ของน้ำเนี่ยจึงมีมากเมื่ออานิสงส์ของน้ำเนี่ยแล้วเมื่อถวายน้ําแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนึกถึงต้นน้ําคือต้นไม้ทําไมต้องนึกถึงต้นไม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประสูตรใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพานใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นน้ําก็คือต้นไม้ ต้นไม้เป็นที่ประสูตดเป็นทูตจะสรู้เป็นที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาประสูตดที่โรงบาลไม่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมล้านห้าแสนกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประสูตดกลางป่าทั้งหมดสูดใต้ต้นไม้ทั้งหมดตัดสรูใร้ใต้ต้นไม้ปรินิพานใต้ต้นไม้เพราะนั้นเนี่ย ถวายน้ําเอาน้ําไปลดต้นไม้นึกถึงต้นไม้เป็นต้นน้ําด้วยต้นน้ําก็คือต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เป็นต้นแห่งคุณงามความดีคือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรุปินิพนธนใต้ต้นไม้อันนี้คือธรรมชาติในส่วนหนึ่งและปลูกต้นไม้หนึ่งต้นลูกกระเทวดามาอาศัยได้ทําให้อากาศเย็นได้กรองอากาศได้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายโน้นต้นไม้ โน่นเลื่อนว่างพวกเธอจงไปปฏิบัติธรรมก็อาศัยต้นไม้เนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมได้บรรลุจํานวนมากอาศัยต้นไม้นั่งฟังเทศฟังธรรมได้จะบรรลุจํานวนมากพระุทธเจ้าก็อาศัยต้นโพปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมาผลนิพพานนะอันนี้ก็จะเห็นว่าน้ําจากเริ่มต้นคือถวายน้ําแล้วก็นึกถึงต้นน้ําคือต้นไม้แล้วก็นึกถึงต้นแห่งคุณงามความดีคือต้นโพที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยตัสัตวแล้วก็ต้นไม้ พุทธองค์พุทธเจา้าทุกพระองค์อาศัยต้นไม้ประสูติตัสรุปปรินิพานอะไรจะเชื่อมโยงคว า, ามดีต่อกันได้หมดนะก็จะเป็นคว า, ามดีที่ดีงามส่วนการที่เราทําความดีแล้วเนี่ยอุทิศไป ใ, ให้คนนู้นอุทิศให้คนนี้ได้ไหม <c oughs> บุญกุศลที่เราอุทิศให้ถ้าเขารับรู้รับท ร, รบาบยินดีด้วยเขาก็ได้ถ้าเขาไม่รับรู้ไม่รับทราบเขาไม่ยินดีด้วยเขาก็ไม่ได้ต้องรับรู้รับทราบแต่ถ้าเป็นการแผ่เมตตาละ่ะเขารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามได้ แต่ถ้าทําบุญให้ทานรักษาศีลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นบุญที่เป็นทานศีลพอนาทั่วไปเนี่ยผู้ที่เราจะให้เขาต้องได้รับรู้ด้วยเช่นโทรศัพท์ไปบอกเอาบุญมาฝากนะให้รวมมนุูมัวนาบุญอย่างนี้ได้แต่ถ้าแผ่เมตตาไม่ต้องโทรศัพท์ไปบอกแผ่ไปเลยอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญบางอย่างเนี่ยแผ่ได้โดยตรงอุทิศโดยตรงบางอย่างเนี่ยส่งโดยตรงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เขารู้เข้าเข้าอกเข้าใจเกิดความรู้เข้าอกเข้าใจในเรื่องของการแผ่เมตตาหรือการทำบุญนะบางครั้งเนี่ยมันกรวดน้ําุทิ เช่นญาติของเราตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้มีสิทธิ์ได้รับส่วนบุญถ้าลงนรกแล้วหมดสิทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วหมดสิทธิ์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วหมดสิทธิ์ไม่ได้รับส่วนกุศลจากเราแต่เราถ้าบุญเราก็ได้บุญส่งไปตีกลับนะฮะตีกลับก็หมายความว่าเขามีบุญของเขาแล้วหรือไม่ลงนรกแล้วส่งไปถึงน ะ, ะอันในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะเราก็จะรู้ว่าบุญเนี่ยถึงไม่ถึงก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ น, ะะนั้นๆขอจเจริญพรคำตอบที่ลึกซึ้งมากเจ้าค่ะ คำถามรองสุดท้ายนะเจ้าค่ะมีผู้ถามว่าหลวงพ่อครับทําไมเรื่องที่น่าจํากลับไม่จําเรื่องที่น่าจํากลับไม่จำไอ้เรื่องที่ไม่น่าจํากลับไม่จําอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนถามแล้วถามอีกพระก็าถามโยมก็าถามเรื่องที่น่าจําคือเรื่องอะไรอลองยกตัว อ, อย่างมาให้ดูธรรมะใช่ไหมของดีๆใช่ไหมธรรมะหรือของดีๆเนี่ยทําไมมันไม่จํา เพราะในสังสารวัตรเนี่ยเราไม่ค่อยได้เสพคุ้นในสังสารวัตรอันยาวนานเนี่ยโอกาสที่ได้พบกับพุทธศาสนานี่ยากเย็นแสนเข็นมากๆนะฮะโอกาสที่ได้พบกับเลดี้กาก้าเนี่ยนะหลายพบหลายชาติแต่โอกาสที่ได้พบกับผู้ใดเจ้าเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นเมื่อมันไปเสพคุ้นกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไอ้สิ่งที่มันไม่ดีก็จําำจำไอ้สิ่งดีๆล่ะอย่างไงมันก็ไม่จําเพราะมันไม่เสพคุณ กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์กว่าจะได้พบพุทธศาสนากว่าจะได้ฟังเทศฟังธรรมก็ของมันผ่านแวบจะจําได้ไหมจําไม่ได้ถ้าเห็นหน้าทุกวั น, ท, วนทุกวันจําได้ไหมจําได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเสพคุ้นบ่อ ย, อยๆเสพคุ้นมากๆเนี่ยมันจะจําได้นะฮะในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยอบายทั้ง4ี่เราไปบ่อยมากเลยแต่บุญกุศลละ่ะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมานั่งฟังเทศฟังธรรมได้เป็นมนุษย์ได้เกิดความเข้าออกเข้าใจเนี่ยหนึ่งในล้านครั้งที่ได้เกิด โดยมากเลอบายทั้ง4ี่ไปเพราะฉะนั้นน่ยกว่าจะได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่อาตมาสวดเนี่ยเหตุปัจโยอรัมนปัจโยเอาลงมาเมืองมนุษย์จึงจะได้ยินนะหรือเป็นเมืองพุทธจึงได้ยินถ้าไปอยู่เมืองอื่นไม่มีสิทธิ์ได้ยินของดีๆเราไม่เคยได้พบได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำยากนะอาตมาก็สมัยเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินบทเพลงเพียงครั้งเดียวจําได้หมดแล้วก็ร้องได้ด้วยตอนเป็นเด็กนะเอ๊ะบทเพลงทําไมเราฟังทีเดียวเนี่ยแล้วจาได้ด้วยแล้วก็ขึ้นร้องได้ด้วยแต่พอหนังสือธรรมะเนี่ย หนึ่งคำหนึ่งประโยคอาตอมาต้องใช้ท่องนะหนึ่งพันเที่ยวอธิท่องไหโยฟังเห hey, ตุอุปโยร์รำนาบยโตรีปฏิประโยช น, ยย น, น, ยน์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก่อนจะมาได้คล่องๆอย่างเนี้ยท่องมาหนึ่งพันเที่ยวอ่านตอนแรกเนี่ยเห hey, ตุปัจโยมันอ่านไม่ค่อยออก เหตุปัจยเหตุเหตุเหตุเหตุตุปัจโยปัจโยเหตุเหตุเหตุปัจยเหตุเปัจยเหตุปัจยเหตุปัจยเหตุปัจยเหตุปัจยเหตุปัจยเอาคำเนี่ยเป็นอาเสวนาปัจัยเสพจนมันคุ้เนี่ยกี่รอบ 1,000 พรอบเพราะท่านมันไม่ค่อยคุ้นในสังสารวัตรถ้าสิ่งใดก็ตามมันคุ้นมากๆเนี่ยมันจะจำได้เร็วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมมทีี่ัันนนเคุ้้จจะไดด ไอสิ่งที่ดีไม่ไม่จำไอสิ่งดีมันไม่ดีทําไมมันจาก็ชีวิตเนี่ยกระเกลือกลั่วกับสิ่งไม่ดีในสังสารวัตเนี่ยเราอยู่ในอบายมานานเพราะนะั้นยอมรับความจริงซะยอมรับความจริงซะว่าตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราอยู่ในที่ที่ดีแล้วควรเสพคุ้นกับสิ่งดีเอาไว้มากๆอ่านธรรมะบ่อยๆฟังบ่อยๆเรียนบ่อยๆถาม บ, อบอนะ่อยๆนะอาตมาเนี่ยอ่านมาสะพัเที่ยวนะท่องมาพันเที่ยวก็คิดว่าเยอะแล้วไปถามพระลังกาท่านตรงนี้อ่านไปกี่รอบ หนึ่งลายโยมเนี่ยหนึ่งแสนเที่ยวพระลังกาที่ท่านทรงพระไตรปิฎกเท่าไรท่านแสนเที่ยวอาตมาคิดว่าพันเที่ยวมันมันติดปากติดตาติดใจแล้วถ้าแสนเที่ยวเนี่ยมันเรียกว่าเข้าถึงกระดูกดำเลยนะโยมมันเข้าไปถึงข้างในเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสพคุนพอเสพคุนปุ๊บต่อไปได้ยินเสียงภาษาบาลีฟังแล้วเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยจําได้เลย อะไรที่มันเสพคุ้เนี่ยตอนแรกมันยากยากยากพอมันเสพคุนแล้วฟังเข้าใจฟังเข้าใจฟังเข้าใจฟังเข้าใจทาบเทคนิคเหล่านี้เหตุประโยอ๋อเหตุตัวใช่มเหตุตัวหนติพอีปะดังเอตนติเหตุชื่อว่าเหตุเพราะเป็นธรรมที่เป็นเครื่องให้ผลเป็นไปดาเนินไปน่ะลอกเหตุมีอะไรล่ะเหตุมีเหตุหการมณ์เพราะเหตุโทสะเหตุมวยเหตุอารมณ์เพราะเหตุโทสะเหตุมวยเหตุเหตุที่ทำให้เจริญก็วารมณ์เพระเหตุเหตุที่เห็นโลภะโทสะเหตุเหตุที่เป็นโกรธมวยเหต ตรอฏิสนธิด้วยติเหตุการปฏิสนธิคืออารมณเหตุอโทเหิตอโมเหตุในขณะปฏิสนธิท่าอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะพอเห็นคําเดียวนี่กระจายกระจายออกไปได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกระจายเนี่ยมันก็มาเสพคุณเสพคุณเสพคุณอ่านมากมฟังมากมอ่านมากมากฟังมากมใช้มากมากพูดมากมากนี่มาเสพคุณเรียกว่าเสพอาศวนาปัจจัยอาศัวนาจะพาลานังไม่เสพผลพานปณิตาในจัตเตวนาเสพบัณฑิต ครบคนเช่นไรก็เป็นคนก็เป็นเช่นคนนั้นครบคนผ่านพ่านก็ไปหาไปหาผิดครบบนับนทึกบันทึกก็พาไปหาผลเอาต้นสแตว์มาปลูกใกล้ต้นมะม่วงมะม่วงก็เป็นมะม่วงขมไปนะฮะพอเอาสแตว์ออกมะม่วงก็หวานกลับมาเหมือนเดิมฉันใดเราเสพคุ้นกับสิ่งใดเราก็จะจดจําสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเราฟังเทศบ่อยๆต่อไปเออฟังเทศแล้วเข้าใจดีขึ้นที่เข้าใจขึ้นเน่ยฟังมาหลายรอบแล้วบางคนฟังแล้วท่านกว่าเทศดีนะโยมจับอะไรไม่ได้เลยเอโยมฟังมารอบแรกใช่ไหมใช่ท่าน เทศดีที่ได้ฟังอะไรจับไม่ได้เลยน่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าเออบางคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจแต่เก็บประเด็นไม่ได้แต่บางคนฟังแล้วเก็บประเด็นนั้ทั้งหมดสแสดงว่าฟังมาหลายรอบเสพคุณแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดีเนี่ยมันไม่จํากำเพราะมันยังไม่ได้เสพคุ้นเอาเสพคุ้นเลยเป็นบริกรรมมะภาวนาะโยมเนี่ยหนังสือธรรมะนมรเนี่ยโยมบทสวดเนี่ยเอาดูเลยเท่าอายุสวดแต่ละบทแต่ละบทเท่าอายุของใครของมันเสพคุณทกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนไม่แน่นะโยมที่นั่งอยู่นี้อาจจะทรงพระไตรปิฎกก็ได้ เป็นโยมคนไทยที่สามารถสรงพระไตรปิฎกได้ทําไมล่ะทุกบทเจอแล้วก็สวดเท่าอายุคนทฉเข้าไปยามไม่สวดอิดีปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้เสพคุณพอเสพคุณมันเป็นบริกรรมภะพาวนาจากบริกรรมสวดครั้งเดียวก็ได้บุญแต่สวดหลายรอบจิตเป็นสมาธิมีพลังด้วย อย่างที่สวดไปถ้าไม่มีพลังทํำยังไงล่ะจะสวดให้มีพลังเนี่ยก็สวดมาหลายๆรอบหนึ่งเสียงก็จะถูกต้องสามออสองแปลได้เข้าใจความหมายสามเมตตาก็จะมีขึ้นต่อผู้ฟังได้อย่างที่ธรรมมาสวดกรณียมตทศสูตรเนี่ยว่าสวดไปเอ๊ะทำไมสวดได้คล่องสวดไปรู้กี่รอบแล้วนับนับรอบไม่ไม่ท่วนแล้วถ้าคนสวดรอบเดียวล่ะก็อ่านตะกุตะกะการนิยมัถตะกุสะเลนะยันตะสันตังปะทังอภิสะเมตจะ สกโกอุชูจะสุห h ชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอะนาติมานีถ้ายัางไม่เสพคุณมันก็จะตุกุกตะกักเงี้ยแต่พอเสพคุณละ่ะไหลลื่นไปเลยกรณียมตะกุสเลนยันดาสันดังบดังนะบิสมิจจาสกโกชูจะสุหูชูจะสุวะโจจะสัมมุทุอะนาติมานีสันตุสกโกจะสุบรโอจะอาบากิโจจะสันลูกเกฮุติ สันตินติโยจะนิปโกจะอัปปะภูเกลสวาณุกิโตนาจะคุธมาจะเรกินเจเนวินยูเบเรอุบาวัดเฮยุงสุขิโนวาเคมินโอฮันดูสับบาสตาบวันดูสุกิตตาเจเกจิปานบูตัดทิตาสาวาทาวราวานวนาวเสสะทิฆาวาเยวะมหันตามจิมารสกาอนุกัุราทิถาวาเยวะอติดาเยวะดูเรวะสันดีอวดูเร บูดาวาสัมเวสิวสปสตาบวันดุสุขิตตานาบรปรังนิกุเพธนาทิมัญญาตากัตจิณกัญจีพยาโรสนาปฏิคสัญญอนัญญมัญญสานุกามิเชยมตาญตานิยังุตตมายุสาเอกบุตตามนุรักเ เอวัมิสัพปะบูเตสุมา a สัมบาวเยอภริมางเมตัญญะสัปโรกัสสังิงมาณสัมบ่าวเย a อภริมางอุดทังอโทจาติริยันจะสัมปะทังเวรามาสัมปะทังติถันเจรังนิสินโนะสยามวัสสกิตามิโตเอตังสติงอดิเทยะบรหัมะเมตังวิหารมิทามหู ทิฏิิจะอนุปกรรมมีศลาวาดาสเสนนสัมปันโนกามสูวินียเคทังนาหิชาตุขปสัยยังปุนาเรตีติโยมทัาสวดถ้ามันคล่องอยากได้ทำนองไหนก็ใส่ได้สวดไปเข้าใจไหมเข้าใจทำไม่มีพลังได้ไหมทำไม่มีพลังได้ แต่ถ้าไม่คุ้นล่ะตะกุกตะกักไอความหมายไม่ต้องพูดถึงแล้วจะน้อมจิตไปตามความหมายก็น้อมไม่ได้และทำให้มีพลังได้ไหมไม่ได้ เพราะนั้นอยากให้มีพลังอยากเข้าใจความหมายสวดบ่อยๆบริกรรมให้บ่อยเป็นบริกรรมภาวนาการบริการภาวนาบริกรรม1รอบได้บุญหนึ่งครั้งบริกรรม2รอบได้บุญอีกนะบริการร้อยรอบพันรอบเนี่ยนอกจากได้บุญแล้วพลังมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นผลโอ้การสวดเนี่ยนะแปลได้ด้วยเข้าใจความหมายด้วยจิตเป็นสมาธิด้วยนะจิตที่มันโหดหูมันก็หายไปพอฟังเสียงแล้วเกิดปีติส่วมนัสนะความเศร้าโศกมันหายได้ทันทีเพราะนั้นเนี่ยอยากให้เกิดพลังอยากให้เกิดปัญญาเนี่ยเอาหลายๆรอบ นะมีพลังขึ้นมาปัญญาได้อันนี้คือสิ่งที่จะได้เห็นผลทันทีนะก็ขอเจริญพรคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะ เ, ออเวลาที่บ้านเมืองได้ปกครองโดยผู้นำที่คุณธรรมบกพร่องเช่นในปัจจุบันทำให้บ้านเมืองวิกฤตชาวพุทธจะใช้หลักธรรมอย่างไรในการปฏิบัติตนเพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่มีความรับผิดชอบใช้ปัญญาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง หลักธรรมสองอย่างง่ายๆหนึ่งมีสามะคีสามะคีจะให้เกิดขึ้นได้ต้องมีศีลห้าเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเชื่อกรรมและผลนักรรมแล้วก็มีศีลห้าถ้ามีสองอย่างนี้สามะคีเกิดคว า, ามสามะคีเกิดประเทศชาติก็สงบสุขก็คือศีลห้าเนี่ยเป็นหลักยึดมั่นเลยถ้าศีลห้ามี โดยเฉพาะที่มีปัญหากันทั่วๆไปเนี่ยจะเน้นข้อที่2ที่กําลังยอมกันไม่ลงนะข้อที่2ก็ดีไอข้อที่1นึ่งก็พอตกลงกันได้นะข้อที่2ยอมไม่ลงเมื่อยอมไม่ลงแล้วเนี่ยนะจะใช้กฎหมายยังไงก็ไม่ได้จริงๆก็คือศี่ห้านั่นแหละสี่ห้เนี่ยเป็นหัวใจเลยถ้าทุกคนรู้ว่าอ๋อถ้าเราผิดศีลข้อที่2เราไปไหนเป็นเปรตหลายพวกลายชาติท่านหนักๆไนดะ้ ถ้าน่าหนัถ้าเป็นของสงหรือกินของส่วนกลา ง, ง, ง ก, าก็ลงนรกจากนารกก็เป็นเปรตนะพบชาติไม่ทวนถ้ารู้อย่างนี้จะทําไหมก็ไม่ทําเมื่อไม่ทําสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดโดยเฉพาะที่มีปัญหาคือศีห้าไม่มีสีห้าไม่มีแล้วก็ข้อ 2, ที่สองทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไม่เชื่อกำลังผลนักกรรมถ้ามีศีลมีทิฏฐิ2 อ, อย่างจบหมดหน่ะวิธีการปรองดองก็คือมีสีทุกคนทสมมาทาศ ส, สีห้และตั้งใจรักษาสีห้าแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเชื่อกำลังผลนักกรรมถ้ามีสองอย่างนี้สามะคีเกิดแต่ที่สาําคัญทุกคนต้องกระตันย กตัญญูต่อตัวเราเองคนแรกอย่าทําให้ตนเองต้องเดือดร้อนทัชาตินี้และชาติหน้ากตัญญูคนที่สองกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูคนที่สพระราชามหากษัตริย์แล้วก็ประเทศชาติกตัญญูท่านที่4ก็คือกตัญญูต่อพระศาสนาเพราะนั่นคนที่เราจะต้องกตัญญูก่อนคือกตัญญูตัวเราเมื่อกตัญญูต่อตัวเราอย่าทําให้ตนเองต้องเดือดร้อนในชาตินี้และชาติหน้าคือทําสิ่งแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์นั่นแหละนะก็คือกายสุจริตวจีสุจริต แล้วก็ได้ตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะมีศีลห้าคนที่รักษาศีลห้าคือคนกระตันยูตัวตัวเองทำไมละ่ะเพราะเราได้เกิดเป็นคนเพราะมีศีลห้าถ้าเราไม่รักษาศีลห้าแสดงว่าเราไม่กระตันยู ต, ตัวเราเองและอยากเกิดเป็นคนอีกไหมถ้าอยากเกิดเป็นคนเนี่รักษาศีลห้า ถ้าไม่อยากเกิดเป็นคนไม่กตัญญูตัวเองอยากลงนรกอยากเป็นเปรอยากเป็นอนุสรายก็เชิญตามมัธยสัยแค่นั้นเองนั้นกตัญญู ต, ต, ตัวเราเองคือการรักษาศีลหเพราะทุกคนได้เกิดเป็นคนพระบุญคือการรักษาศีลหเพราะนั้นให้กตัญญูตัวเราเองก่อนกตัญญูพ่อแม่ตอบแทนท่านทั้งอามิตรและธรรมะในลักษณะนี้เป็นต้นตอบแทนประเทศชาติคือมีความสมัสมาสามัคคีจะสมัครสมานสามัคคีก็ต้องมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันถ้าอย่างนี้สามัคคีเกิดอันนี้คือช่วยประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยเอาใบว แล้วก็สัมาติทิเชื่อกรรมในผลนักกรรมให้ได้ให้อยู่ในใจทุกคนถ้ามีแค่สองอย่างทุกอย่างแก้ได้หมดขอเจริญพร